ทราบเกี่ยวกับพระรัตนตรัยพ่อเมือ่มอก่อนก็รู้แค่ว่าเขพูดพระธรรมประสงค์ก็ไม่รู้ความหมายว่าลึกซึ้งอยากนํานคืออะไรคืออยากให้การพระรัตนตรัยแบบให้เข้าใจพอสังเกตพอพระรัตนตรยเข้าใจแบบสังเขปไม่ได้ต้องเข้าใจแบบจริงๆคริงสังเขปเราก็รู้กันมาแล้วสังเขปเป็นยังไง ใช่หพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เนี่ยสังเกตพระรัตนตยเรื่องนี้สำคัญมากนะมันบ่งบอกถึงความเป็นศาสนารพระรัตนตรัยหากปฏิบัติพระรัตนตไตยผิดผิดก็เท่ากับว่าปฏิบัติต่อศาสนาผิดผิดไม่ใช่ผิดธรมรมดานะผิดอย่างมากผิดแบบงมงายผิดแบบไปช่วลูกชัว่วหลาน ไม่ใช่ผิดเฉพาะเรานะคนอื่นเห็นเราทําก็สืบต่อไปสืบต่อไปสืบต่อไปแม้แต่ยุคนี้เราเห็นคนก่อนๆทํามาอย่างไรเราก็ยึดถือแบบวิธีของคนยุคก่อนใช่ไหมไ ม, มันผิดขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ผิดเฉพาะตัวเราถ้าทําผิดก็เท่ากับว่าปฏิบัติศาสนาผิดเข้าใจศาสนาผิดและยึดถือศาสนาผิดโดยเข้าใจว่าเป็นพุทธศาสนาเพราะเราก็นับถือพระ ต, ตาลไต คงจะเป็นพู้ศาสนาแต่ที่แท้จริงแล้วเป็นศาสนาที่ผิดพุทธศาสนาที่ผิดทำไมต้อมาถึงว่าผิดเพราะว่าการยึดถือพระรัตนาตายในเวลานี้เป็นการยึดถือพระรัตนาตาที่ไม่ใช่พระรัตนาตายที่มีมาในหลักคำสอนเราไปยึดถือพระรัตนาตัยางด้านลูกเคารพเครื่องรางของ ข, องขังวัตถุผูกเศษ และเข้าใจความหมายของพระธรรมเทว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากคนในพุทธศาสนาเข้าใจพระธรรมเทศว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้หลงศาสนาไม่ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนาและได้ถือว่าเป็นผู้เข้าใจพระพุทธศาสนาผิด ทีนี้ก็มีตามามาพูดอยู่อย่างนี้แหละว่าคนที่ยึดถือพระราตนตัยที่ผ่านมาเป็นการยึดถือผิดไม่ว่าจะเป็นการยึดถือทางด้านลูครลบหรือยึดถือรตาตนตัยเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่จะต้องปกปักรักษาคุ้มครองเราหรือบรรดาลอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเราเข้าถึงความเจริญก้าวหน้ามันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยบันดาลชีวิตใครแต่พระพุทธเจ้าสอน ให้คนคนั้นบรรดาลชีวิตตนเองเพราะคนมีความสามารถคือความสามารถของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการที่จะบันดาลชีวิตของตัวเองได้โดยการสร้างเจตนาขึ้นมาภายในจิตเจตนาคือความจงใจหรือความตั้งมั่นในสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราจะทํา ในสิ่งที่เป็นไปตามหลักคาสอนของพุทธศาสนาก็คือความดีหรือการประพฤติทธรรมนั่นเองแต่ความดีในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ความดีแบบโลกโลกและไม่ใช่ความดีแบบชาวโลกที่เขาเข้าใจกันแต่เป็นความดีในชั้นของการประพฤติตนเพื่อออกจากวงจรแห่งกองทุกข์และพาตนเองออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอันเนี้ย เป็นความดีที่พระพุทธศาสนาสอนไม่ใช่แค่สอนให้เราทําดีแต่ดีเป็นยังไงก็เราก็ยังแยกแย่ไม่ออกดีแบบไหนดีบางอย่างที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับคนอื่นก็มีเราจะสอนธรรมะ ก, กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ยอมให้เราสอนแล้วเราไปสอนเขาสอนเขาอยู่อย่างเงี้ยไปบอกเขาทําแล้วเขาไม่ทาตามเราแล้วเราก็ขัดเพืองใจการที่เราไปสอนเขาเราเห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่เขาไม่รับอ่ะ แล้วเราก็ขัดเคืองใจเขาแล้วก็หาว่าเขาไม่มีธรรมะไม่ยอมสนใจศีลธรรมไปว่าเขาด่าเขาเรากลายเป็นคนดีที่กำลังจะทำเลว ท, แลวทาแล้วเออเลวแล้ว <laughs> ขณะที่ทานั่นกล้าจริงไหมความดีของพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นความดีของพุทธศาสนาคือพาตัวเองออกจากกองกองทุกเท่านั้นเอง ไม่เกี่ยวกับนรกไม่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่เกี่ยวกับพรมไม่เกี่ยวกับความจะเป็นไปในวัฏฏะจะเป็นไปในภพชาติไหนการที่โพธทรงแสดงวัฏฏนะนั่นเพื่อแสดงให้เห็นโทษแล้วให้เราปรารถนาที่จะหนีออกไปจากการเวียนว่ายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเป็นหลักการอันสําคัญไม่ได้สอนให้เราไปสวรรค์ไม่ให้เราสอนไปพรมโลกไม่ใหสอนให้เราหลีกเลี่ยงตัวเองออกจากอาบายภูมิไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงสอน สวรรค์สอนรกสอนพรหมสอนให้เราเหลีกเลี่ยงออกจากอบายภูมินั้น mm hmm. ก็สืบเนื่องมาจากว่าโพลทรงทราบอัธยาศสยในจิตมนุษย์ที่ยังมีกิเลสฝังแน่นอยู่มีปัญหาครอบงำอยู่พอใจในวัตตะผู้ที่พอใจในวัตตะนั้นนะอาวุโอบอกทำบุญเพราะบุญจะเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ในภพชาติที่เราไม่ได้ไปเกิดเพราะการเกิดเป็นความทุกข์นี่แต่ไม่ได้ให้เราไปทาบุญเพื่อเอาสวรรค์เอา เอาเอาพรมเอาอะไรน่ะเอาบุญหรือหลีกนีจากเอบาบยภูมิพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้ทำบุญเพื่อเอาบุญมันเอาไม่ได้หรอกบุญน่ะมันแค่เป็นการเสวยผลไมีใครเอาบุญไปได้สักคนหรอกพระกะพรมเป็นพรมผู้ถือทิฏฐิมานะว่าตนนั้นถึงที่สุดแห่งทุกแล้วยั่งยืนแล้วเป็นพรมเป็นพรมผู้ไม่ตายแล้ว มีอายุยืนนานกว่าเทพมีอายุยืนนานกว่าพรมมนุษย์เราหนึ100่งรอปีนี่คือเกณฑ์ในความเป็นอยู่ของชีวิตตามอายุไขยหนึ่งร้อยปีหนึ่งรปีในโลกมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชัน้นดาวดึงหนมึมันเดียวหนึ่งร้อยปีทิพ มื่อหนึ่งพัน 1, ปีทิพคือวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นดาวบดึงหนึ่งพันปี่เข้าบัดหนึ่งคือหนึ่งของผมง 1, ผมกระพริบตาหนึ่งกระพริบตาครั้งเดียวพวกเราตายไปไอะไรทำ่าชีวิตเรายืดยาวนานไหมไม่นานไม่นานผมอายุยืดยาวนานไหมนานนไหนยในความรู้สึกของเรานานใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกว่าอายุผมแค่นิดหน่อยไม่น่ายินดีหรืนิดหน่อย ขนาดเ่าอย่างนั้นนะหมบอกอยังนิดหน่อยแต่ผมไม่รู้ตัวว่าตัวเองน่ะมีอายุนิดเดียวแต่เข้าใจว่าตนเองยืดยาวนานเพราะเทวดาตัว น, นั้นก็เห็นจุติไปเห็นเทวดาตัว น, นั้นก็จุติไปเห็นเทวดาตัว น, นั้นก็จุติไปเฮ้เรานี่ไม่ไม่จุติสักทีไว้ทําไมเราอยู่แบบนานกว่าเทวดาตอนอื่นจังวะอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นมนุษย์ตายตายตายตายเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็จุติหมดบุญ เราทำบุญในโลกมนุษย์นี้เดี๋ยวก็ไปจุติอยู่บนเทวทาใช่ไหมละ่ะพอไปจุติเทวทาอีกไม่นานน่ะผมก็จะมองไอ้นี่เดี๋ยวก็ไปนะีครูเอลเดี๋ยวไปอยู่บนสวรรค์เ น, <laughs> นี่ยเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วเนี่ยผมมันจะว่าอย่างนั้นนะ<笑><笑>อ่านี่เราไม่ไปสักทีไว้เราเร า, เรายังตั้งมั่นอยู่เรายังยืนอยู่นี่แสดงว่าเราเท่านั้นที่เป็นอมตะพวกนี้ไม่เป็นอมตะพวกนี้ไม่พ้นภพเหมือนเราเราอรมตะผมมันว่าอย่างนั้น ผู้เฒ่าทราบความคิดของผมหายตัวจากโลกมนุษย์นี้ไปสู่พรห ม, มโลกทันทีเลยวับไปปรากฏตัวต่อหน้าพระกพรมอายุท่านอันนิดหน่อยสมณะท่านมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงท่านรู้ได้ยังไงว่าอายุเรานิดหน่อยก็ก่อนหน้าที่ท่านจะมาเป็นพรหมท่านเป็นพรหมมาจากชั้นก่อนนน้อนอีกท่านเพิ่งจะจุติจากพรห ม, มโลกท่านโน้นแล้วเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานผูเจ้ารู้ว่าได้ไม่นานแต่ผมไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจุติมาจากไหน ไม่รู้แล้วจะมีอายุอยู่ในทวมโลกนี้อีกนิดหน่อยแต่นิดหน่อยคือนานนะนานแต่ผู้เ้าบอกว่านิดหน่อยเดี๋ยวท่านก็จะไปจุติอีกนั่นแหละเหมือนกับเทพตอนอื่นผมก็ถึงความหว่าสะดุ้ ง, งโอ้โหมีคนรู้ว่าเราจุติมาจากที่อื่นทีนี้ผมก็เลยเริ่มเริ่มคํานวณยานดูว่าเรามาจากกุติที่อื่นจริงหรือเปล่าย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปช่วงระยะเวลาของการย้อนนั่ะ เป็นช่วงของการว่างเขาเรียกว่ากับพีนากับพีนาต้นน่ะมันจะไม่เห็นการจุติอุบัติของอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมกับพีนาหมายความว่ามันว่างว่างจากการจุติอุบัติของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็ลึกลึกไปไปจถึงจุดบ้างตัวเนี้ยเขาเลยมันก็ไม่เห็นเราจุติมาจากไหนนี่มันก็ว่างหมดเฉยเฉยนี่แต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกพระเจ้าย้อนเลยกว่าผมได้อีกไงว่าหลังจากที่ช่วงของว่างของกับเนี่ยจากวันที่เวิร์กว่างว่างเปล่าที่ยืดยาวนานเนี่ย มันมีช่วงหนึ่งที่มีจักราวาลมาก่อนคือมีการปอเกิดของจักราวาลมาก่อนหน้านั้นแค่ไม่หล mm ่ะ hmm. ทีนี้พรมบมระลึกได้ไม่ถึ ง, ไ, ไ, ถงไปไม่ถึงที่จุติของตัวเองในจักราวาลก่อนที่จะดับของกับที่นาฏในคราวครั้งนั้น mm hmm. ล, ลึกๆไม่ถึงผู้เจ้าระลึกถึงผู้เจ้าจึงช่วยไง ช, ย <laughs> ช่วยส่งให้ไปถึง <laughs> ไปเห็นไง <laughs> อ๋อเราจุติมาจากนูน่น <laughs> อ๋อสลดสังเวชใจตัวเองว่าเราก็ไม่เที่ยงเนีย เห็นไหมพรมก็ไม่เที่ยงรูที่มาตัวเองใช่เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้พอใจในความเป็นพรมไม่ใช่จุดประสงค์ของพืทศาสนาแต่พระเจ้าทรงตัดสอนเรื่องบุญบาปดีชั่วให้คนได้ทํานะเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เพราะบางคนมันยังพอใจในวัฏฏะติดวัตฏะสงสารนี่อยู่ไงไพอใจการเกิดการตายอยู่ไม่จริงๆไม่ได้พอใจการเกิดการตายหรอกพอใจอยู่ในกามกามสุข ใช่ไม่ได้เห็นความทุกข์เป็นไทยนะเห็นความทุกข์เป็นไทยหรือเปล่าทีนี้คนทุกวันนี้เข้าใจพุทธศาสนาผิดกันเยอะเข้าใจพระรัตนตรัยผิดเข้าใจว่าพระรัตนตยจะต้องเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เครื่องลังของขังพระรัตนตยต้องแบบพระรัตนตรัยมีอะไรมาห้อยที่คอเนี่ยพระรัตนตรยจะต้องหาอะไรมาห้อยที่คอไหม เขาคนข้อถึงพรตนาไตไม่มีเี่พวกเรายังตอบกันได้ว่าไม่มีอาตมาจึงบอกว่าคนเข้าถึงพระนาไตเข้าถึงผิดไงเพราะเข้าใจว่าพระนาไตต้องเอามาห้อยที่คออะไรก็ตามที่เขาเข้าใจว่ามันสามารถเป็นที่ยึดเหนียวยึดพึ่งพึ่งพาเป็นสารณะเป็นอะไรก็ตามที่เขาเข้าใจเอามาเป็นเป็น เหตุผลในการมีสิ่งเหล่านั้นไว้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวุใจไงพระรัตนไตยอยู่ในรูปพะลบเครื่องรางของขังวัตถุปลุกเสกหรือเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่ไอคนที่เขาทำการปลุกเสกอยู่นะขึ้นต้นด้วยบทนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงค์ว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสันนักามิธรรมังสนกามินั่นคือการเขาประกาศตนเขาถึงรัตนตรัยไ เป็นการประกาศแต่ไม่เข้าถึงเป็นการพูดคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ยึดถือพระรัตนตรตัเขากําลังเขานอบน้อมพระพุทธเจ้ า, แ, าแยกให้ออกครัว่านอบน้อมกับการยึดพระ ร, รัตนตว่าเข้าถึงพระรัตนตยนะไม่ได้ยึดเนื้อแค่นอบน้อมพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ยึดว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงบางคนกําลังจะทําไสยศาสตร์ใส่คนเนี่ยก่อกวนกันเนี่ย ก็นโมตสาพระบโตอรหะโตส ม, สมตาสภุรสะคนคนนั้น่ะเข้าถึงพระตนะไตไหมไม่ถึงเลยไม<ะ>่ใช่อย่างเฮะไม่ถึงเลยไม่ถึงทำไมอ่ะอาก็จะไปทาร้ายคนอื่นไง ม, มัน อ, นนอ๋อคนนับถือพระตนะไตยังด่าคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยยังมีกันด่ากันอยู่อันนัน้นมีอารมณ์ <c oughs> อ๋ออ๋อ อ, อ, อ, อันอันอันอันพิธีกรรมที่ทำไปทำร้ายคนกับการพูดออกไปตามอารมณ์นี้คนละอย่างกันใช่ไหมอ๋อพระตนะไตไม่ขาดนะ ไตสรณะโคมไม่ขาดนะอย่างนั้นนะ่ะด่าด้วยอารมณ์อย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ขาดเพราะว่า <c oughs> กิเลสส่วนหนึ่งคือแต่เรายังไม่เสื่อมพายจากการยึดถือไง <c oughs> คือคือเลมันไปไปตามอารมณ์มันก็มีอยู่ธรรมาดา <c oughs> นางวิสาขาก็ยังดา่าด่าคนนั้นคนนี้อยู่ <c oughs> ด่าอัมมาที่ไม่ให้ตนเอง ไปติดต่องานแล้วไม่ผ่านด่าเขาว่าเขาเออมาติพวกนี้กินสินบาทกินสินบนอะไรวบบนี้กินสินบาทค่าสินบนว่ายัั้นนะ่ะพระเจ้าประเสริฐคือไม่ส่งงานให้ถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอ น, อนุมัติด่าเลยก็อาตมาพูดเราเองดอกคำพูดพอคำพูดเนี่ยแต่นางวิสาขาดา่าแน่นอนแต่นางด่าบแบบมีสตินะก็ทุกข์ใจอยู่จะไปหาผู้เจ้าพระเจ้าบอกว่าไปทุกข์ทำไม การงานที่ไม่เป็นไปนตามอำนาจก็เป็นทุกข์อยู่แล้วจะเป็นทุกข์กับมันทํำไมทีนี้เรามาพูดถึงพระราตนาไตนะฟังให้ดีผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่ในเพจนี้ด้วยฟังให้ดีนะพระราตนไตที่เป็นพระราตนไตนั้นพระราตนไตเป็นประตูเข้ามาสู่พุทธศาสนาการให้ทานยังไม่ใช่ประตูการที่เข้ามาสู่พุทธศาสนาการให้ทานศาสนาอื่นเขาก็มีการให้กันอยู่แล้ว ไม่ใช่มีเฉพาะพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขก็สอนแต่พระรัตนไตยเป็นประตูเข้ามาสู่พุทธศาสนาหากใครยึดถือพระรัตนไตยผิดผู้นั้นยังไม่สามารถเดินเข้ามาเดินเข้าในประตูสู่พุทธศาสนานี้ได้เลยเป็นเพียงแค่อยู่นอกประตูอยู่นอกศาสนาอยู่แค่ประกาศตนเป็นผู้เลื่อมใสนับถือแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงขอถึงที่เฉยแต่ยังไม่เข้าถึงประตูที่จะเข้ามาสู่พระรัตนไตยนั้นมาได้แค่4ทาง สทางเท่านั้นสี่ประตูเท่านั้นประตูที่หนึ่งเข้าโดยการมอบกายถวายตนเรียกว่าอั ต, ตสันนิญาปนะมีแนวใจหรือเปล่าว่าสับนี้ <c oughs> คือยกยกอบอกกายถวายชีวิต <c oughs> ว่าข้าพเจ้าขอบมอบกายถวายชีวิตนี้ <c oughs> เดี๋ยวผู้ได้เจ้าพระธรรมประโสงค์เนี่ยเข้าถึงพระรตรีประตูแรกคือเข้าถึงพระราตรีโดยการมอบตนมอบมอบกายถวายชีวิต อันที่สองเข้าถึงพระตาไตโดยยึดถือพระตาไตเป็นเบื้องหน้าพระตัยเป็นเบือเเบ้องหน้าบาลีว่าเนี่ยลืมภาษาบาลีลืมลืมบทธรรมไ ม, ไม่ใช่การภาษานึงไม่ใช่มีพระตาไตเป็นเบื้องหน้าอันที่สเข้าถึงรันตนตาไตโดยการมอบตนเป็นสิทธิสิทธสภาวูปะคามนะณะ ก็อันนี้จำได้คือมอบตนเป็นสิทธิ์ให้พระรัตนาไตายเป็นครูบาอาจารย์สอนครัสอนพวกเราอันที่สี่เข้าถึงพระราตนไตโดยการนอบน้อมปณิปาตา่า น, น, นอบน้อมนอบน้อมยีงไม่ใช่ไปไหว้ไหว้พระพุทธลูกไหว้เครื่องรางของขังอะไรนอบน้อมไม่ใช่อย่างนั้นนะนอบน้อมพระราตนไตยน่ะหมายถึงว่าหากหากเราเข้าถึงการนอบน้อมคือน้อมจิตน้อมใจ อธิษฐานจิตรหรือน้อมจิตน้อมใจเข้าถึงโดยการเราลึกถึงอยู่เสมอเราต้องเข้าใจคำว่าบุตรทางสราังกัจฉามิธรรมังสราังกัจฉามิสร้างดังสราังกัจฉามิเนี่ยบุตรทางคือ พ, พุทธพุทธคืออะไรจะเป็นอะไรก็ตามแต่คําว่าพุทธนี้เราเราได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมนะก็คือ จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่พุทธเจ้าก็ตามแต่ความเป็นพุทธะนี่มีความเป็นพุทธะนี่มีเพราะพระพุทธเจ้าดับขันธปริยพานไปแล้วความพุทธะไม่ได้หายไปใช่ไหมความเป็นพุทธะยังมีอยู่ใช่ไหมใช่สภาพอันที่รู้ตื่นเบิกบานหรือธาตุแห่งความรู้ตื่นเบิกบานยังมีอยู่พุทธะคือ ความรู้ตื่นเบิกบานมีอยู่ธรรมะคือสภาพแห่งความจริงหรือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความจริงหรือสิ่งที่เป็นสัจจะเรียกว่าธรรมะสังฆะคือการประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือพลังแห่งความดีความ ป, ปฏิบัติชอบทั้งหมดพุทธะภาวะอันที่รู้ตื่นเบิกบานธรรมะคือความเป็นสัจธรรมสังฆะคือพลังแห่งความดี พลังแห่งการประพฤติธปฏิบัติความดีของพุทธศาสนาคืออะไรทําตัวเองให้พ้นจากวัฏจักใช่ไหมเนี่ยคือความดีพลังเนี่ยพลังแห่งการทําตัวเองให้ออกจากวัฏจัพลังแห่งสัจธรรมและก็พลังแห่งความรู้ตื่นเบิกบานจะมีพระเจ้าก็ตามไม่มีพุทธเจ้าก็ตามพลังนี้มีอยู่แต่พุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงความมีอยู่ของธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นพรลันตนาไตจึงเป็นพลังอํานาจธรรมชาติอันบริสุทธิ์ รพระรเจ้าเข้าถึงธรรมชาตินี้พระองค์จึงรู้ตื่นเบิกบานแล้วได้นำตามนิมิตแห่งการเข้าถึงเป็นนามที่เรียกว่าเนมิตตกน้มนามตามนิมิตแห่งการเข้าถึงคือนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายว่าพระพรัตเจา้าทรงตัดสลุกอริยสัจ ส, สี่แล้วพระองค์เกิดความรู้ตื่นเบิกบานธาตุแห่งความรู้ตื่นเบิกตื่นเบิกบานนั้นมันเข้ามาประสานกับ จ, จิตใจของพระองค์นะจิตใจของพระเจ้าคือจิตใจของพวกเราทั่วไปนั่นแหละ คือก่อนที่จะเป็นผู้หญิงคือจิตของบุรุษชนคนทั่วไปแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่ธาตุแห่งความรู้ตื่นเบิกบานนั้นเข้ามารองรับจิตของพระองค์จึงไม่สามารถเรียกจิตดวงนั้นเป็นจิตแบบบุรุษชนได้จึงเรียกจิตดวงนั้นว่าพุท ธ, ธะและเรียกชื่อตามนิมิตคือเครื่องหมายแห่งการเข้าถึงพลังแห่งความรู้ตื่นเบิกบานนั้นว่าพระพุทธเจ้าเห็น ไ, ไหมแล้ว อริย ส, สัจสีทําให้พุทธเจ้ารู้จักสัจธรรมสัจธรรมอันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติจะมีพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพุทธเจ้าก็ตามสัจธรรมนี้มีอยู่พลังแห่งสัจจะหรือความจริงแห่งสัจจะสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงอันเป็นสัจจะนี้ยังคงอยู่ยังมีอยู่ที่ทําให้คนสามารถเข้าถึงได้คือความจริงหากความจริงได้ดับหายไปพร้อมกับพรพุทธเจ้า พวกเรายุคนี้สามารถปฏิบัติเข้าถึงสความจริงได้ไหมไม่ได้แสดงว่าความจริงยังมีอยู่ผูพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราปพืชปฏิบัติตามแม้จะมีพุทธเจ้าก็ตามไม่มีก็ตามให้เราปฏิบัติตามเพื่อเข้าถึงการที่มีพุทธเจ้าแต่เราไม่ยอมปฏิบัติเราจะสามารถเข้าถึงสัจธรรมนั้นได้ไหมไม่ได้มีพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติเข้าถึงได้ไหมได้ไม่มีพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติเข้าถึงได้ไหมได้ ไม่มีพทะเจ้าและเราไม่ปฏิบัติเพราะเราเข้าใจว่าพระเจ้าไม่อยู่เราไม่ปฏิบัติจะเข้าถึงได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นพรตันตนาใจเมื่อเรารู้ความเป็นพุท ธ, ธคือธาตุแห่งความรู้ตื่นเบิกบานมันมีอยู่แล้วในหลักธรรมชาตินี้ธาตุแห่งสัจจะทระธาตุธาตุแห่งความรู้ตื่นเบิกบานเรียกว่าพุทธธาตุธาตุแห่งสัจจะเรียกว่าพระธาตุ พอธงรอเรือธาตุแห่งความดีคือสุธาตุาภาษาบาลีที่อาตมาพูดถึงแต่ละภาษานี่มันมีอยู่ในหลักธรรมชาติเป็นอักษรธาตุนะเป็นธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นธาตุของตัวหนังสือมีอยู่มันมีอยู่เหมือนกับต้นไม้ดินฟ้าอากาศอย่างนี้แหละแต่มันเป็นน้ำเข้าใจไหมแต่มันมีอยู่โดยความเป็นนาำมันมีอยู่โดยความเป็นธาตุคนที่วิปัสสนาญาณถึง ความแก่กล้าจะเห็นธาตุเ่าเนี่ยอัคระธาตุเ่าเนี่ยเหมือนกับตาเห็นผู้ใดเห็นตัวหนังสือมีอยู่ในหลักธรรมชาติอยู่เข้าใจไหมเป็นภาษาธาตุเป็นภาษาของธาตุอ่ะมันมีภาษาเรียกอัคระธาตุธาตุของตัวหนังสือมีอยู่แต่มันไม่มีตัวแบบให้พวกเราได้ได้เห็นกันอย่างเนี้ยแต่มันเป็นตัวแบบเป็นธาตุอ่ะเหมือนกับพูดถึงธาตุดินธาตุดินนั่นคือปฐวีธาตุใช่ไหม ปฏวิทาตคือธาตุดินเราสามารถมองเห็นปฏทวิทาตได้ไหมฮะไม่เห็ น, <ะ>หนแต่เมื่อธาตุดินผสมกับไฟน้ำไฟลมแล้วเราสามารถมองเห็นใช่ไหมใช่ใช่แต่โดยธาตุของปฏทวิทาตเรามองไม่เห็นเป็นธาตุแท้ธาตุธรรมชาติ เ, าเพราะในจังหวะที่จักรวาลนี้แตกหมดหรือกับที่นาา จักรวาลมีแต่ความเบิกบงบ้างเปล่าไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวดาไม่มีพรมไม่มีสัตว์ไม่มีเทวะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ดินน้ำไฟลมแต่ดินน้ำไฟลมนั้นไม่ใช่เป็นก้อนดินแต่เป็นธาตุมีอยู่โดยความเป็นธาตวยังไน้ำก็มีอยู่โดยความเป็นธาตุไอ้น้ำที่เราเห็นเป็นหยดหยดเนี่ยเป็นน้ำที่ถูกผสมเป็นธาตุผสมแล้วที่ผสมมาจากไฟลมดินยังไธาตุไฟเหมือนกันที่เราเห็นเป็นเปรียวเปรียวคือธาตุที่ผสมแล้ว จริงๆธาตุไฟอยู่ตรงหน้านี้ก็มีเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็มีเตโชธาตุนี้อยู่แต่เป็นเตโชธาตุที่ยังไม่ถูกจุดรถ้าจุดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นเปลวไฟเมื่อนั้นอันนั้นเป็นธาตุผสมเข้าใจยังอัคคระธาตุเหมือนกันนะแล้วอคคระธาตุจะอยู่ในรูปแบบของมคตภาษาเป็นภาษากลางของจักรวาลสัตว์ก็ใช้ภาษานี้เทวดาก็ใช้ภาษามคตนี้มนุษย์แต่โบราณการก็ใช้ภาษามคตนี้ เป็นภาษากลางเป็นภาษากลางคิอเป็นภาษากลางของจักรวาลเปตพีปีศาจก็ใช้ภาษามงคลนี้มันเป็นภาษาธาตุใช่มันเป็นมันเป็นธาตุโดยธรรมชาติอยู่แล้วจะกลับนี้จะพินาธมนุษย์จะไม่รู้ภาษาอะไรก็ตามหากมนุษย์เกิดขึ้นมาจะใช้ภาษานี้โดยอัตโนมัติสื่อสารกันจะพูดภาษานี้เราจึงเห็นนิทานในครั้งก่อนๆที่คนกับสัตว์คุยกันได้เทวดากับมนุษย์คุยกันด้วยด้วยภาษาเนี้ยแล้วปัจจุบันนี้เราก็ใช้ภาษา จั ก, กรวาลภาษากลางของจั ก, กรวาล น, นี้โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราใช้ภาษากลางอยู่รู้ไหมภาษาอะไรที่เราใช้กันที่ที่เป็นภาษามาพศภาษาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราใช้อย่างเช่นอะไรรู้ไหมาภาษาบาลีคําว่าไก่คําว่ากะกุกเวลาเราเรียกไก่เราเรียกยังไงกุ๊บกุ๊บ ก, ก, กะกุกก็คือกุ๊บกุ๊กุก๊นั่นแหละกะกุ๊บนี้ก็คือแปลว่าไก่กุ๊บกุ๊บก็คือไก่ ถ้าเราไปเรียกไก่ว่าไก่ไก่ไก่มันจะมาหาเราไหมเพราะไก่ไก่ไก่นี้เป็นภาษาอะไรภาษาไทยภาษาคนคนแต่ละเชื้อชาติใช่ไหม mm hmm. แต่คํามากุ๊กๆนี่คือภาษาเดิมของจักรวาลสัตว <laughs> ์ก็ใช้ภาษานี้มันเลยรู้เรื่องกันไง <laughs> มันก็เลยมา <laughs> ใช่เราคุยกับสัตว์ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่ <laughs> อาจริงๆนะนี่ <laughs> กะกูแปลว่าไก่ <laughs> ใช่ไหม กาจริงๆ้าราชการเป็นเวลาสัญญาทระทรีเป็นทระธาตุาตแห่งการทรงไว้ซึ่งความจริงธาตุทรงไว้ซึ่งแห่งบรรดาธรรมปัจนจริงไอสุธาตุนะที่เป็นสามาเมื่อกี้อาจารย์สุสาตสุธาตุสอเสือสรรอุธาตุแห่งความดีใช่ใช่แรแร่ตัวแรก พุทะพอพานสระอุทอธงสละอะภุทะใช่หรือจะออกเสียงให้ตรงกับบาลีมคตจริงๆบุธาใช่บุดังบุดังบุดะบุดะเ็มมัจะคือภาษามคตจริงๆต้องออกบุดะใช่ทระุทระระทอธงนี้มันจะต้องมี ในในอกอะไรเขาเรียกว่าโคศในอกคือเสียงกล้องพระพระพระระสุสุสุธาตุคือธาตุแห่งความดีคือสุปฏิปโนคือสง์เขาใหญ่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงมาจากพราสุธาตุใช่มันเป็นธาตตามธรรมชาติธาตุเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงเอาอาคระธาตุตามธรรมชาติโดยมคดภาษาเนี่ย มาใช้บัญญัติาสี่ขันห้ายศนากรูปเสียงกินลดเนี่ยูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามาจากหลักธรมมาากธรมชาติเนี่ยมาจาก่าธรรมชาตินะมาเอามาบัญญัติการแสดงธรรมเนาาี่ยใช่เป็นภาษากลางพระเจ้าจึงบอกว่าเด็กใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้หากไม่ใช้ภาษาฝ่ายบิดาก็จะใช้ภาษาฝ่ายมารดา หากไม่มีทั้งบิดาและมารดาเขาจะพูดภาษามาคตได้เองอัตโนมัติอย่างเช่นเมาคลี อ, อยู่ในป่าพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีแต่คุยกับสัตว์ได้คือใช้ภาษามาคตเองอัตโนมัติสัตว์ก็ใช้ภาษามาโครขยังพระเจ้าจึงบอกว่าทำที่ตถาคตทรงสอนนั้นจะต้องอยู่ในรูปของมาคตภาษาเท่านั้นในการที่จะทรงจําไว้หรือว่ารักษาไว้ หรือว่ายกสู่การเล่าเรียนศึกษาต้องศึกษาที่มคอภาษาอย่าไปศึกษาในภาษาไทยอย่าไปศึกษาในภาษาอังกฤษคาเมนลาวเวียดนามจีนให้ศึกษาที่ภาษามคตมคอภาษาในบ้านเราก็คือบาลีเพราะฉะนั้นหากจะเรียนพุทธปรวันะแท้ต้องเรียนที่บาลีภาษาไม่ใช่ไปเรียนที่แปลออกมาแล้วที่เขาเอามามะมะเออเอามา ถายทอดกันอยู่ทุกวันเนี้ยอันนั้นไปนเรียนที่ภาษาไทยนั่นหรอพิทไม่ใช่พุทธวจนะอันนั้นเป็นแค่คําแปลของพุทธวจนะแต่ไม่ใช่ตัวพุทธวจนะตัวพุทธวจนะจึงเป็นบาลีเป็นเป็นตัวภาษาบาลีจึงพระจึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะยกบาลีขึ้นมาเป็นการสอนโยมเข้าใจไหมแต่โยมบอกว่าโอ้ฟังไม่รู้เรื่องพระพูดภาษาอะไรเขาไม่รู้เรื่องหากจะใช้ภาษาโลกกับภาษาโลกมันไม่คลนละความหมายกันนะ่ะ มันมันใช้ความหมายเดยียวกันไม่ได้จริงๆนะภาษาโลกกับภาษาธรรมมันมันใช้ความหมายเดยียวกันไม่ได้หากจะพูดโดยการสื่อสารโดยภาษาโลกโดยใช้ภาษาโลกที่เข้าใจกันเองเนี่ยมันจะกลายเป็นความผิดเพีย้ยนแล้วก็ผิดเพี้ยนกันมาเพราะเราชอบฟังอะไรที่มันง่ายๆและนั่นคือการทำลายพุทธศาสนาในในอีกลักษณะหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวชอบไปฟังภาษาง่ายๆภาษาอะไรที่มันบอกพระอาจารย์สอนง่ายๆหน่อยพูดง่ายๆหน่อย ก็เลยกลายเป็นไม่ไดรู้เรื่องอะไรกันเท่าไหร่เลยเป็นไม่ไปหาแก่แต่ชอบเปียกเปียเปียกเลยให้มันฟังดูแล้วมันเหมือนสอนผิดสอนไจใช่ภาษาเปียกใช่ทีนี้เขาบอกว่าเอาแล้วใครจะมีโอกาสไปเรียนมครคคุศภาษาได้ทั้งหมดละ่ะใช่ไหมละ่ะอันอันพระเจ้าบอกเรียนก็คือส่วนของผู้ที่เรียนอันนั้นก็ยกให้พวกที่เป็นปริยไปแต่เวลาสื่อสารให้สื่อสารด้วยภาษาอันเป็นที่เข้าใจสังเกตให้ดีนะ ให้สื่อสารด้วยภาษาอันเป็นที่เข้าใจนั่นหมายถึงว่าใช้ภาษาที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจในบทธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวสอนไม่ใช่ใช้ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจด้วยความเข้าใจของชาวบ้านเองนะเข้าใจไหมพระที่ถ่ายทอดหรือสื่อสารไปหรือโยมเองผู้พิฏิบัิธรรมจะถ่ายทอดหรือสื่อสารไปต้องใช้ภาษาสื่อสารที่ตรงกับหลักในบาลี หากไม่ตรงก็ถือว่าเป็นการทําลายพูทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเช่นที่อาตมาเคยยกมาบ่อยๆก็คือว่าเมตตาที่เขาแปลว่าความรักอันนี้ใช้าภาษาผิดเมตตาไม่ได้แปลว่าความรักเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรแผลเมตตาคือแผลความเป็นไมตรีจิตไปถึงกันและกันไม่ใช่แผ่ความรักไปหากันและกันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะคําว่าความรักมันมีศัพท์เข้ามันอยู่แล้วปียปิปีย ป, ป, ปีย โตชยัยยะปิยเตชยโตโซโกคือความความโศเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักในความหมายของผู้เจ้าผู้เจ้าจะตรัสโทษถึงความรักแต่จะตัดประโยชน์ของเมตตาหากเอาแปลเมตตาว่าเป็นความรักมันก็จะขัดแย้งกับปิยะแปลว่าความรักที่โพวงทรงตัดว่ามีโทษพ ย, ยังปิยโตชายะเตโซโกปิยโตชายะเตพยังคือภัยก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความโซ ก, ก็เกิดจากสิ่งอันเป็นทีละใช่สิ่งเป็นทีละแต่เนสิ่งเป็นไทยนั่นผู้เจ้าตัดโทษนะแต่เมตตาผู้เจ้าตัดถึงประโยชน์ใช่ไหมใช่เมตตาจะแผ่ไปมากเท่าไหร่ไม่มีเสียมีแต่ประโยชน์ชนเพราะฉะนั้นการสื่อสารความหมายด้วยหลักธรรมเนี่ยหากเราไม่เข้ามาที่ภาษาบาลีเมตตามาจากคำว่ามิตรต์มิตรต์เป็นตัวยืนอยู่แล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือตีความหมายไปเป็นอย่างอื่นได้อีกแต่เวลาแปลเนี่ยมันผิดพลาดกันได้เขาจยัง คือเราไปเข้าใจว่าเมตตาคือความรักเผื่อแผ่ความรักไปถึงกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มันก็เลยคือพูดง่ายๆว่าคนในสังคมในเวลานั้นรู้จักคําว่าเมตตาในด้านของความรัก <c oughs> เขาก็เลยใช้คําว่าความรักแปลออกมาอันนั้นคือแปลแบบแปลภาษาทําให้เป็นภาษาลโลกแต่พุทธเจ้าบอกว่าเวลาสื่อสารต้องสื่อสารด้วยภาษาอันเป็นที่เข้าใจในกลุ่มชนนั้นๆในหมู่ชนนั้นๆหมายถึงว่าสอนธรรมะ ที่เป็นตัวสื่อสารกับชาวบ้านเนี่ยด้วยภาษาท้องถิ่นหรือภาษากลางที่สามารถรับรู้กันแต่ให้เป็นที่เข้าใจตามหลักตามหลักธรรไม่ใช่ไปเข้าใจตามหลักภาษาโลกอย่างเช่นมานะภาษาโลกแปลว่าอะไรความบากบัน่นความอดทนความต่อสู้ใช่ไหมแต่มานะภาษาธรรมคืออะไรมานะภาษาธรรมคืออะไรความถือตนหรือตัวการวัดตนเองกับคนอื่นเราดีกว่าเขาเรา เราประเสริฐกว่าเขาคนอื่นต่มกว่าเราอะไรอย่เนี่ยกูดีกว่ามึงกูถือศีลมึงไม่ได้ถือศีลว่าไงที่ีมาละกูกินเจมึงไม่กินเจอันนี้ไม่ได้บ้านนะไอ้พูดให้ฟังเปรียบเทียบหายเงียบเลยว่ะเหนบานะไเ่ได้ว่านนะเหนือบ้านะเปรียบเทียบให้ฟัง มีมีอันนั้นมาก็เอามาซีนเออไปเข้าพระรัตนาไตสกีทําไงอัปตดซันนี่อัปนา ตัวนี้ก็เป็นอโกโก้ม้นชื่อแตวาตัวีเป็นกโอเคแต่ไม่ได้ใส่อะไรนะเลือกชอบของสุขนี้นะสุมมาแล้วไงแมวตัวนี้มันจะแข่งอัตมาจำก็ยากขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วลงไม่ได้สั่งผะตั้งแต่เมื่อวานพระก็ไม่ดำเนินการ จับแมวตัวเดียวมันยากเย็นขนาดนั้นขนาดแมวมีตัวให้เห็นอยู่นะแล้วกิเลสไม่มีตัวให้เห็นนี่มันจะขนาดไหนหจะเอาเหรอจะเอามาให้หุยมีละแมวมาฆ่าเลยฆเลยแาฆ่าเลยนี่นี่จะเอาไปไว้ที่ดอยเฉียงอยู่ดอยไม่พูดหรอ มันาอยู่เองมันนี้มจว่าันอยู่บ้านโยมาจะมามาเอามาเอาวไม่ได้มาอสหน่อยไงฟังเทศไปมันง่วงเนาะฟังอัตมาดีง่วงไหมไทย ใครอันนี้ตัวนี้มั่งท่าดันได้รับได้ไหมถ้าท่าดันรับไม่ได้ก็อย่าเอานะหนุนนี้ให้หนุนแม่แม่สองแม่อยู่ข้างหลังด้วยนะแม่อาตมาเนี่ยนะสองแม่คเนี่ยฝากร้องฝากชีวิตด้วยกับสองแม่นี่แหละอาตมาทป่วยถ้าไม่ทาอาหารขึ้นมาอาตมาตายถ้าสองแม่ป่วยอาตมาก็เสร็จอีก มาคุณนุ่มพอนขออภัยนะผู้ที่ชมเขตทํานาวาอย<จ>ู่จิบกาแฟไปคือถือว่าเป็นการสนธนาธรรมกัน เ, เป็นการแสดงธรรมเป็นกิจจลักษณะอันที่เป็นกิจจลักษณะก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นเป็นการเป็นงานเป็น เป็นเรื่องของงานอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการสนทนาทำรรกันอธิบายทำกันให้ฟังเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาหรือยังเ น, <c oughs> นี่ยอาตมาจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธการยกภาษาบาลีขึ้นมาพูดได้มันต้องยกขึ้นมาพูดไม่ยกไม่ได้เราต้องเข้าใจอย่างหะว่าพระทำไมใช้ภาษายุ่งยากจังจริงจริงเป็นภาษาที่เราจะต้องรู้ เราลืมภาษาธาตุดั้งเดิมของเราภาษากลางของจั ก, กรวาลเพราะเราใช้ภาษาของเรามาตั้งแต่ยาวนานลาาาแล้วภาษาไทยแต่ความจริงถ้าพูดเป็นภาษามารินใต้จานทร์ก็เอาภาษาตรงๆไปเลยไม่ได้หรือคะแบบไหนยอย่างเช่นคำว่าเมตตาไม่ต้องเป็นแปลว่าเป็นความนัแต่แปลว่ามาจดาครัเป็นแล้วเราจะแผลเมตตาได้ยังไงแลให้ความเป็นมิตรกับคนอื่นนะเอาเราไม่รู้ว่าเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรแล้วเราจะแผ่ความเป็นมิตรไปได้ยังไง เอาตั้งจิตเมตตาตั้งยังไงถ้าเราไม่รู้ความหมายของคาว่าเมตตาเราจะสามารถตั้งจิตเป็นเมตตาได้ไหมไม่ได้มันต้องรู้ไม่ได้มันต้องรู้ความหมายก่อนสิเสมเสริมเข้าไปสิคะเสริมอะไรตอนนี้ไงจึงเสริมเข้าไปนี่ไงก็เสริมเสริมอยู่นี่ไงเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรคําว่าเป็นมิตรหมายถึงว่าเราจะต้องไม่คิดลายไม่ว่าลายไม่กล่าวรายไม่ปรารถนารายไม่มุ่งร้ายกับใครๆแผ่แพ่จิตที่เป็นความมิตรไมตรีเนี่ยคือ เราปรารถนาร้ายกับผู้ที่เป็นมิตรเราไหมเนี่ยเราก็ไม่ปรารถนาร้ายใช่ไหมล่ะเราไม่มุ่งร้ายใช่ไหมไม่คิดร้ายใช่ไหมไละ่มมมละ <facets. S 1> ก็แน่นแหละคือตั้งจิตที่จะไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายไม่ปรารถนาร้ายความคิดใดๆที่เกิดขึ้นเป็นความคิดในด้านความเบียดเบียนคือความคิดในมุ่งที่จะไม่พอใจกันอิจฉาริษยากันหากเราตั้งจิตเมตตาขึ้นมาไอความคิดนั้นก็จะดับไปเห็นไหมล่ะการรู้ความหมายที่ถูกต้องจะทําให้เราได้เข้าใจในการแผ่เมตตาไปได้อย่างถูกต้อง เขาบอกว่าแผ่เมตตาแผ่ความรักไอ้คนนั้นกูไม่รักมันเลยวะกูจะแผ่ไปได้ยังไงวะเกลียดที่หน้ามันก็เกลียดแล้วกูจะแผ่ไปได้ยังไงถ้าบอกว่าแปลแผ่ความรักไปจะรักมันได้ลงคออยู่เหรือเหนแต่ว่าเมตตาคือเอาแม้เราจะไม่รักมันแต่เราก็เป็นมิตรเราไม่เบียดเบียนเขาเขจะเราไม่รักมันแต่เราไม่ไปเบียดเบียนมันอ่ะเข้าใจไหมก็จะใช้คําบอกว่ามีจิตเมตตา มันไม่บริสุทธิ์ง่ายๆหรอกเมตตาบริสุทธิ์ได้ง้น่นต้องเมตตาระดับอปิมัญญาเมตตาอภิมัญญานูน่นอันนี้คือบริสุทธิ์แต่ระดับบุตุชนคนทั่วไปมันมันต้องเริ่มจากความไม่บริสุทธิ์นี้ไปก่อนนะบริสุทธิ์หมายถึงว่ามันสามารถทรงทรงไว้อยู่ตลอดเวลาได้แต่เรานี่ยทำได้แค่แคการบังคาวใช่ไหมล่ะ ข่มใจไ ว, ดว้ด้วยความรู้สึกภายในข่มใจไว้แค่ไม่ให้จิตตัวเองทุกข์เฉยให้จิตตัวเองสงบระงับไม่วุ่นวายมากพราะถ้าคิดไปในด้านที่ไม่ดีกับคนอื่นขาดเมตตากับคนอื่นขาดความเป็นมิตรกับคนอื่นก็จะคิดแต่มุ่งมุ่งมุ่งคิดมุ่งล้ายมุ่งเบียดเบียนก่อกวนกันอย่างเงี้ย ใช่ไหมล่ะมันก็คิดอยู่อย่างงั้นมันก็ไม่สําเร็จผลไม่สําเร็จปีอาจารย์ที่ว่าต้องรู้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าถ้าหากไม่เข้าใจสิ่งที่ว่าออกมาเนี่ยแล้วเข้าใจผิดมันปฏิบัติผิดเลยเพราะน้นที่ที่บอกว่าเมตตาคืออะไรเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ความหมายของเมตตาเนี่ยการปฏิบัติก็ผิดผิดไป <ừ. S 2> ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจําเป็นไหมคือจําเป็นระดับหนึ่งเลยชเหมือนนี่เราว่าทําบุญอย่างเงี้ย แล้วยังไม่รู้สมาว่าบุญอย่างเงี้ยก็ทําไม่ถูกเลยบุญคืออะไรอ๋อถามหน่อยบุญคืออะไรทํามากันตั้งนานแล้วอไม่รู้ว่าบุญคืออะไรต่างเขาเข้าใจบุญก็คือทำดีทำความดียังไม่ถูกการทำบุญคือเกียรติยังไม่ถูกบุญคือสิ่งที่ทําแล้วอิ่มทาแล้วอิ่มมีสบายใจอย่างเงี้ยยังไม่ถูก เห็นไหมก็ต้องไปถีที่ภาษาบาลีมาจากคําว่าปุญยะบุญยะแปลว่าการชําระการให้ชาระชาระล้างไม่ใช่ไม่ได้การให้แปลว่าทานทานะแปลว่าการให้ทานกับบุญคนละอย่างเนี่ยเมื่อให้จึงเกิดบุญแปลว่าการชําระบุญแปลว่าชําระชําระอะไรก็ต้องชําระบาปเราอาบน้ําชําระร่างกายในชําระอะไร ถูกต้องเอ๊ะทำไมฉลาดขึ้นแล้วที่นี่บุญ <c oughs> คือชำระบาปศาสนาพราหมณ์แต่ก่อนนี้เขาทําบุญโดยการชําระตัวเองในแม่น้ำคงคานั่นคือบุญของพราหมณ์คือชําระตัวเองในแม่น้ำคงคา<ม>พระเจ้ามาบัญญัติคาว่าบุญคือการชาระใหม่เข้าใจไหมคือชําระความตณีด้วยการให้ทาน<อ>ชําระโทษ5ประการด้วยศีลสิขาบท5ชําชำระโทษไปประการด้วยสิขาบท8 ชำละความเห็นผิดด้วยสัมมาทิฏฐิชำละอะไรนะชำละความคิดที่ผิดด้วยสัมมาสังกัปปะใช่ไหมชำละความเห็นผิดด้วยสัมมาทิฏฐิเหนือชำชำละความมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิชำระสัมมามิจฉาสังกัปปะด้วยสัมมาสังกัปปะพูดบาลีอีกแล้วเข้าใจไหมเนี่เข้าใจเอาอันเงี้ยชำระความเห็นผิดด้วยความเห็นถูกชำระความคิดที่ผิดด้วยความคิดที่ถูกชำระคำพูดที่ผิดด้วยคำพูดที่ถูกชำระ การการทำที่ผิดด้วยการกาทำที่ถูกชำระการใช้ชีวิตที่ผิดด้วยการใช้ชีวิตที่ถูกชำระความพยายามที่ผิดด้วยการทำให้เกิดความพยายามที่ถูกชำระการระลึกที่ผิดให้เกิดการระลึกที่ถูกชำระความตั้งใจที่ผิดด้วยการตั้งใจให้ถูกนี่คือการชำระบุญนี่คือบุญคือการชาระ ชำระล้างนัาแสดงว่าพุทธศาสนาเราสอนล้างบาปได้ดิพุทธศาสนาล้างบาปได้ไหมก็นี่ไงก็พูดอยู่เมื่อกี้นี่ก็ล้างบาปแล้วนี <h <h ่ใช่ล้างความเห็นผิดด้วยความเห็นถูกใช่ไหมล้างความคิดที่ผิดด้วยความเห็นที่ความคิดที่ถูกใช่ไหมก็เนี่ยพุทธศาสนาสอนล้างบาปแล้วนี่ล้างล้างความตณีด้วยทานล้างโทษห้าประการที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยศีล โทษ8ประการก็ได้ศีล10ประการก็ว่าไปโทษ227ประการก็ว่าไปโทษ311ประการของพิษุณีอันโทษนั้นน่ะไม่พิเศษนั่นน่ะโทษเที่นั้นอันนี้โยมกําลังจะบอกว่านี่คือเหตุ ท, ที่ว่ า, าพระพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาของพระพุทธเจ้าชี้แนะหให้เราพุทธศาสนาสาวกทั้งหลายต้องปฏิบัติต้องรู้ภาษานี่ฮะต้องรู้สิไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ มันเป๋หมดเลยนะมันเพี้ยนหมดเลยนะไปบุญที่วัดไปบุญที่วัดแล้วเอาเอาบุญถามว่าบุญอ่ะเอาได้ไหมเป็นสิ่งที่เอาได้นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาเป็นสิ่งที่ชำะออกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเนี่ยถึงบอกว่าปฏิบัติถูกโยมถึงบอกว่าต้องรู้ยังไงยังไงต้องรู้ความหมายต้องรู้ภาษารู้ภาษารู้ความหมายหากเอาสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติเอาความจริงว่าชําระ ความตนีด้วยการให้แต่บางคนให้แล้วหวังคลนอันนั้นชาระความตนีไหมแล้วแล้วได้เป็นบุญไหมมันไม่ได้ล้างอะไรเลยใช่ไหมน่าเห็นไหมพราะไม่รู้ความหมายผู้นะสอนสอนให้เราล้างบาปผู้ชนาสอนให้ล้างบาปแต่ล้างให้ถูกล้างให้ถูกที่ล้างให้เป็น ศาสนาคิดสอนให้ล้างบาปแบบไหนหนูเห็นกินกินส่ะนักิลมลไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์ล้างบาปด้วยการลงในแม่น้าโงคาศาสนาฮินดูล้างบาปด้วยวิธีไหนเกี่ยวกับไฟเาใช้บูชาไฟบูชายันน์น่ะนั่นแหละมันมีการล้างบาปกันทุกศาสนาแหละศาสนาเราก็ สอนให้ล้างบาดเหมือนกันเข้าใจไหมเธอพอใจกันไหมเรื่อเริ่มงงเออเออถ้าพอใจคิดตามอยู่อ๋ออโอเคข้าพูดไปแล้วงงก็ไม่อยากจะพูดเหมือนกันก็จะอยากจะหยุดพูดเหมือนกันเอาประตูเข้ามาสู่พระราตรีนี้มีอยู่สีทางหนึ่งอัตสันญญาปณะ อัตสัญญตะนะนิยตนานี่ก็คือมอบกายถวายชีวิ ต, ตสองมีพระไตใเป็นเบืบ้องหน้ า, า, นนาใช้คําว่าอะไรนาะปารายณนะสัมปรายนะประมาณนี้แหละสัมปารายณนะมีพระรตใจเป็นเบื้องหน้าหมายถึงว่าให้พระรัตใจเป็นเครื่องนำทางชีวิตเร า, รานะอันที่สามมอบตนเป็ น, น, ปนปสิทธิภาษาบริวัสิทธสภาวูปักมนระ เข้าถึงโดยการทําตัวเองเป็นสิทธิ์ซีปานิปาตะเข้าถึงพระตาโดยการนอบน้อมเราจะไม่ไหว้สิ่งอื่นใดเลยไหว้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเท่านั้นเห็นสารพระภูมิไหวไหมเห็นสารเจ้พ่อเจ้แม่ไหวไหมเห็นสารหลักเมืองไหวไหมเห็นพ่อขุนเมืองลายไหวไหมไม่ไหว้กินหรือเปล่าแต่ก่อนแต่ก่อนไหวไหมแล้วแต่อก่อน ถ้ายังไหว่พ่อคุณเพลงลายพ่ออะไรอยู่เนี่ยเจ้าปลาเจ้าเขาอยู่นี่การเข้าถึงรัตนตรัด้วยวิธีการนี้ขาดไม่ใช่ขาดเลยรัตนตรัขาดเลยแต่สารนคมขาดเลยขาดจากการยึดพึ่งเห็นวัตถุมงคลเครื่องลังของขังวัตถุปุกเสกจะไหวไหมขาดนะขาดนะเมื่อก่อนไหว่นู่นบอกว่าไหว ไม่ธรรมดานะพระรัตนไตรัยเรานี่สะอาดมากเลยนะไม่เจือปนด้วยอย่างอื่นเอาอย่างอื่นมาเจือปนไม่ได้เราจะไปขอให้ศาสนาพราหมณ์มาเจือปนของเราเขาทายกับว่าเราเราทําตามพิธีพรามณ์มีคนบอกว่าพุทธกับพราหมณ์ยังไงมันก็ต้องแยกกันไม่ออกมันต้องไปด้วยกันเขาว่าอย่างนี้สแสดงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เชื่อมั่นว่าพระรัตนตรัที่เรายึดถือนี่เป็นของบริสุทธิ์หรือสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราจึงเ <c oughs> หมือนกับว่าเอ๊ะพระรัตนตเรายังมีความบกพร่องอยู่ต้องเอาพราม์เข้ามาเสริมให้มันดีขึ้นอย่างนี้ห หรื อ, อยังไงแปลว่าเราไม่มีความมั่นใจในสารณะของเราเลยว่าพระพุทธเจ้าพระนธพระโสดงเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราได้จริงหากเราไม่มั่นใจในสาระของเราคำว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นเนี่ยแต่เราไม่มั่นมันจะเป็นศรัทธาไหมไม่เป็นเขาเรียกว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่เลื่อมใสพรมเอาอยัางไงล่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านตลาดรึใหม่ แปลกมากนี่แหละอาตมาจึงมองสิ่งที่แปลกวิกนวิการไปในด้านของการนักพือนศาสนาในเวลานี้ว่ามันเพี้ยนกันไปจนไม่รู้จะดึงเก่ามาสู่รูปแบบเดิมได้หรือเปล่านี้ยังยังจนปัญญาอยู่ทุงวันนี้มันพูดออกไปโป้งๆอยู่ทุกวันนี้ก็เขาก็ว่าถ้าถ้าองค์นี้เป็นใครมาจากไหนมาสอนอะไรเรื่องอย่างนี้ ปนิปาตะเข้า<ไม ster>ถึงโดยการนอบน้อมปนิปาตะนอบน้อมปนมมือน้อมปนิปนินอบน้อมใช่เวลาเราปรนมมือเราจะนอบน้อมไปหาบุคคลที่เรายึดพึง่งเข้าใจไหมสมมติว่ามีพรมอยู่ต่อนหน้าเรากับพระเจ้าอยู่ต่อนหน้าเราเราจะไหว้พรมหรือไหว้พระเจ้าเมื่อพระเจ้าไ ม, ไม่มีอยู่มีพรมอยู่เราจะไหว้ใคร อันนี้อันนี้ยังยึดยักอยู่เหรอคืจะไหว้ใครวะแต่ว่าจะไม่มั่นเนี่ยใช่ไหว้พระเจ้าเหมือนเดิมพามจะอยู่ก็ตามพระองค์ไม่มีอยู่ก็ตามเราก็จะไหว้พระเจ้าเหมือนเดิมเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมคําว่าเข้าใจไหมว่าเข้าใจเข้าใจหรือเปล่านะตอกเสียงสูง จะพูดยังไงอาจารย์นะที่เออที่มพูดงแบบนี้มันก็อลอะค่ะทไมถึงยกตัวอย่างคูเอลสมม่สมมติสมมติสมมติว่ากูเอลนี่ไม่มีอยู่จริงเนาะสมมติขึ้นคุเอลไม่ได้อยู่ที่นี่อยากดินทาก็ดินทาได้เขาจ่งมอ ก็ต้องกัมกึงไปก่อนเพราะความมั่นใจยังดิ่งลงไปในด้านใดด้านหนึ่งยังไม่มีการตัดสินใจลงไปในอันใดอันหนึ่งยังไม่เกิดขึ้นก็กัมกึงไปอย่างนี้แหละครั้งพุทธการก็มีพราหมณ์ประเภทนี้ที่เลื่อมใสพรพุทธเจ้าแต่ยังไม่สามารถเข้ามาในศาสนาีได้แต่ก็พูดกับพรุทธเจ้าอีกว่าหากข้าพระองค์เจอพระองค์ในระหว่างทางแม้ข้าพระองค์จะไม่ได้ลงไปก้มกราบพระองค์ก็ตามข้าพระองค์จะให้สัญญาณโดยการลดฉัดลงคือก็จะมีล่มหรืออะไรเนี่ยแต่จะลดล่มนี้ลง เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกถึงการเคารพของพระองค์แต่ตนเองจะมันยังกึ่งอยู่นะตนเองก็ยังามเครื่องหึ่งนะแต่ก็ยังนับถือพระเจ้าอยู่อ่ะพูดง่ายๆยังเสียดายคือประเภทนี้เขาเรียกอะไรมันมีอยู่มันมีแบบพวกนี้อินทรียังอ่อนอยู่อินทรีย์ยังไม่แต่แก่ก้าก็ต้องเป็นธรรมดาอย่างนั้นคนขบกถือสองศาสนาเป็นอะไว้สัมลอง แสดงได้ก็ไม่เป็นไรก็มีอย่างนั้นก็มีจะเห็นเป็นไรก็มีแต่จะไม่เข้าถึงมรรคถึงผลถึงสาระเก่นสารในสารสนานี้จะมาถึงเลยพรเดินเพรามันเดินสองสายเขาบอกการพลาดเป็นท่านคิดเป็นทั้งพูดเพราะรู้ทั้งสองอย่างการพราดพอถึงตรงนั้นก็จะได้ใช้ได้ทีนี้การมอบกายถวายชีวิตนี้เขายกตัวอย่างเช่นพระมหากระสปะ เข้าถึงพระรัตนตรัยโดยการมอบกายถาวายชีวิตบวชอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าโดยการมอบกายถาวายชีวิตกับพระรัตนตรัยแล้วไม่สึกอีกเลยจนเป็นสินสมบัิเกเรตเป็นพระอระหันต์คือพระมหากรสปะพู้บุคคลบุคคลหรือผู้ที่จะเข้าถึงรตัตนไตัยโดยการมอบกายถาวายชีวิตนี้ได้ต้องเป็นเช่นมหากรสปะนี้เป็นตัวอย่างทำได้ไหมพวกเราคนนี้ประตูนี้เข้าได้ไหมยั ง, ยงนะยังโกลหัวไม่ได้ อย่างเงี้ยคนหัวอย่างเงี้ยนุ่งเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยคือได้อยู่ ป, ประตูนี้ฮะคุณจะชนไม่ได้รับได้หากตั้งใจอย่างแรงกล้าได้อย่างนี้ทำได้เนี่ยก็ได้ถ้าจะทำถ้าจะทำแต่ถ้าไม่ได้ไปประตูที่สองมีพระราตรเป็นเบื้องหน้าหมายถึงว่าให้พระราตรเป็นเครื่องนําทางตปารายณนะตปารายโนประมาณนี้นะสัมปารายโนลายละประเภทเนี่ยบาลีต้องต้องกลับไปดูแบบภาษาบาลีก่อ คือให้มีพระราตรายเป็นเครื่องนําทางเป็นเบื้องหน้ามีการที่จะไปสู่พบเมื่อละชีวิตไปขอเอาพระราตรายนี้นําทางเราไปสู่ไปที่ไหนก็ตามจะพาไปสู่คุณงามความดีแบบไหนก็ตามไปสู่พบเบื้องหน้าแบบไหนก็ตามขอเชื่อพระราตรายว่าพระราตรายจะพาเราไปดีอย่างเงี้ยนะตอนใกล้จะตายนึกถึงอะไรพุทธเจ้าพระนรรมประงค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะพุทโธมีนาโถทะโมมีนาโถสังโคมีนาโถข้าพเจ้ามีพุทธเจ้าพระนพรมะสงค์เป็นที่ยึดพึ่งเป็นเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นเครื่องรองรับ ขอพระพุทธเจ้าประดมประสงค์จงเกิดขึ้นมารองรับจิตใจของพระเจ้าและนนำข้าพเจ้าไปสู่พบเบื้องหน้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอฝา ก, กจิตฝากใจให้พระ อ, องค์เป็นผู้นําทางหมายถึงว่าเราจะไปในที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยเ ร, เราจะต้องหาคนนําทางไปใช่ไหมแล้วเราต้องเชื่อมั่นมากคนที่นําทางเราไปเนี่ยจะต้องพาเราไปถูกที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าพระรัตนตยจะพาเราไปสู่พบที่ดีได้เรายังจะไปเชื่ออย่างอื่นเป็นเครื่องนําทางเราไหม ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วิงหรือเปล่าขึเทีเดียวนี่อรอ่ะก็อันนี้คือมีพระราตเป็นเบื้องหน้าหากหากใครยังไม่สามารถเข้าถึงพ้อนี้ได้ฮะพนมพอนแอปมินไม่ค่อยมาดูแล เครื่องเลยยังไงนี่วะแอดมิน ม, ม, มันเกิดอะไรผิดปกติขึ้นฮะไม่เป็นไรนะแต่หน้าจอมันหายไปเฉยเฉยใช่ไหมเออไม่เป็นไร <c oughs> ทีนี้พอไหนนะยมเยา้ามีพระไตรายเป็นเบื้องหน้ามงคลพระราตรายเอาไว้ข้างหลังก่อนฮะ ไปข้างหน้านะให้ไปข้างหน้าให้นำทางเรานะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องใช้หลักคําสอนของพระพุทธไตเป็นเครื่องนําทางชีวิตแล้วคําสอนพระพุทธไตเนี่ยได้สอนให้พวกเราไหว้เจ้าพ่อไหว้เจ้าแม่ไหว้ผีไหว้เจ้าปู่เจ้าตาหรือเปล่าไม่เลยคำสอนเหล่านี้ไม่มีในพระพุทธไตนะไหว้ศาลพ่อภูมิมีไหมไม่มีไหว้อะไรีประเภทการไหว้เขาลบนักถือบูชาห พระรัตนตรัสอนให้เราตัดกรรมไหมสะเดาะกรรมแก้กรรมไหมไม่มีพระรัตนตสอนให้เราไหวพญานาคไหม <c oughs> แล้วที่แห่แหนกันไปไหว้นั้นประเภทไหน <c oughs> มีพระพมีพญานาคเป็นสารณะใช่ไหม <c oughs> นาโคนาโคสารานังขจ า, ามิไม่ใช่พุทธโพนะพุทธังไม่ใช่นางังนางังสารานังขจ า, ามิอันนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พุทธังสารานังขจ า, ามิที่เขาไปดูพญานาค ไปดูเฉยๆแล้วโอ้ยอันดูเฉยอันดูแบบไม่เฉยก็มีอันดูแบบสาธุอย่าว่าแต่ไปเลยขึ้นหน้าเฟซใครขอให้เจริญเขายังสาธุเลยนะในนั้นอนะ่ะ <c oughs> เอามีสิดีไ ม, ไม่ไม่ลามมาถึงผ่านเลยะ <c oughs> โอ้หแผ่นดินดีสาน <c oughs> มันดีจริงเหรอะ อะไรมีตามหลับพุทธนามีจริงแล้วเคยเหือเจ้ากล่าวไว้จริงก็คนที่มีตาจึงจะเห็นตาหมายถึงว่าตาที่สามารถรับรู้ได้นะอ๋อเป็นชาโอ้ไม่ได้เป็นเหมือนเป็นรูปเล้าบางทีไม่จําเป็นต้องชาญก็ได้คือเขาต้องการจะปรากฏตัวให้ใครได้รับรู้มันก็มันก็เป็นอีกอีกลักษณะหนึ่งเฉพาะตัวบุคคลก็อยากให้คนนี้เห็นเขาก็แสดงเฉพาะบุคคลให้เห็นก็ได้มีจริง ลแล้วก็เคยเห็นมาแล้วลนนอยู่หน้าโบสถ์ไงบันไดหน้ากะ่ะของเกือซีเมนไทยพอที่หลังเ้าก็ตออ่อไปนี่ใต้รั้งแ ล, แล้วก็เห็นแล้วหน้านวัดเราก็มีกอดคำนองน้ำคล้ายกั น, <S <S> นพยาพยามันจะมีแผงแตั้งแต่ ง, งอนคอจนถึงหางนี่คือพยา แต่ถ้าหน้าทั่วไป <Okay. S 1> หน้าที่เป็นบริวารก็จะมีแผงเฉพาะคอหางจะเป็นเกี้ยงๆ oh. ลําตัว oh. จากคอจากลําตัวไปถึงหางจะเป็นเกี้ยงๆ <Okay. S 1> แต่หางก็จะเป็นปุยๆหน่อยแต่ตรงคอเนี่ยจะมีงอน mm hmm. อันนี้คือหน้าทั่วไปแต่ถ้าพญาจะแผงถึงหางหมดเลย <Okay. S 1> เต็มยศใช่เต็มยศสีเขียวใช่ไหมใช่รัวหลายสี <laughs> พอมาหลายตระกูลไงตระกูลวิรูปากตระกูลไม่ใช่นาคนาคมีสีตระกูลอะ่ะเพื่อนกันหากันหาโคตรก็มีเอราบทรโคตรก็มีที่ที่เรียกว่าพูดพูดไม่ จ, จะจัดอยู่ในปูไหนแล้วโยมที่โยมเห็นะ่ะเดี๋ยวก่อนสิเราไปพระตนาไตยังไม่หมดเลยเนี่ยประตูที่สองเอง เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวมันจะลืม น, นันเอประตูที่ส อ, ป ร, สอประตูแรกเขายังไม่ได้ใช่ไหมประตูที่สองคือให้มีพระราตรายไปเบื้องหน้าเนี่ยเข้าได้ไหมเข้าได้อยู่นะเพราะประตูเข้ามาสู่ระราตรายต้องมาด้านนี้เท่านั้นประตูที่สามมอบตนเองเป็นสิทธิ์สิธิสภาวะุปคามนะยอมให้พระราตรายเป็นอาจารย์อาจารย์คือพระราตรายได้สอนให้ทําวัตถุปลุกเสกเครื่องลังของขังเครื่องมงคลไหมแล้วถ้าลูกศิษย์ไปทําเดยชื่อว่าเป็นศิษย์ไหม ขาดจา ก, กความเป็นสิทธิ์อาจารย์กันใช่ไหมใช่อะไรก็ตามที่อาจารย์ไม่ได้บอกให้ทําแล้วลูกศิษย์ไปทํำเนี่ยผิดเลยครับผิดแล้วใช่ไหมแต่หากลูกศิษย์ใดที่ยึดถือพระรัตนไตอยูโย่โดยมีพระรัตนไตเป็นอาจารย์แล้วไปทําในสิ่งที่ขัดกับพระรัตนไตแต่ยังยังประกาศตนเองอยู่ว่ามีพระรัตนไตเป็นอาจารย์ยังชื่อว่าเป็นอาจารย์ไหมไม่เป็นไม่เป็นนะเป็นเพียงแค่ลมปากที่พูดไปเฉยขกับปีติปัดไม่ใช่ไม่ใช่ ขาดข้อนี้ก็ไปไม่ได้ในสังคมนี้นะพูดถึงในสังคมส่วนใหญ่ทั้งแต่รูปเคารพเครื่องรางของขังวัตถุปุกเศษทั้งนั้นผิดเพราะพาราณเตยไม่ได้สอนอาจารย์เราไม่ได้สอนอย่างนั้นคือพราราณเตยไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างเงี้ยพาราณเตยสอนให้ไปสวรรค์ไหมแล้วบุคคลผู้ทําบุญแล้วยินดีในสวรรค์เนี่ยผิดจากพาราณเตยไหมเงี้ยผิดจากเส้นทางของพาราณเตยเห็นผิดเห็นผิด ทำบุญก็ตามได้ไปสวรรค์จริงก็ตามก็เป็นการทําบุญทําคุณงามความดีนอกศาสนาไม่ใช่ในศาสนาเป็นความดีนอกศาสนาไม่ใช่ในพุทธศาสนาะพุทธศาสนาเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการทําตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กันประตูเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เนี่ยที่ทำบรรทุมงคลเครื่อ ง, ลงหลังของขังทีนี้อาตา ม, มามาพูดคนเดียวอยู่แต่เรื่องเนี้ทีนี้คนที่ทํา เป็น เ, ก, เกจิอาจารย์ทั้งหลายร้วนแล้วแต่เป็นเกจิอาจารย์ที่โด่งดังและมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมีวิชาอาคมมีอะไรที่โด่งดังกันนะ่ะระดับเกจิ<ม>เป็นที่เคารพนับถือกันเท่านั้นแล้วอตาตมานี่ยังไม่มีใครมานับถือเท่าไหร่เลยอยู่แค่นี้แง่เงี้ยอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้สอนเพื่อให้ใครนับถืออตาตมานะเพราะไม่ต้องการการนับถืออยู่แล้ว และไม่ต้องการเป็นอาจารย์ใครอยู่แล้วอันนี้พูดจริงๆจากความรู้สึกที่ตัวเองเป็นมาแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ต้องการเป็นอาจารย์ใครและไม่ต้องการให้ใครมานับถือไม่ต้องการให้ใครมาทําบุญหรือสักการะไม่ต้องมาก็ได้เนี่ยไม่ต้องมาก็ได้ไปฟังอยู่ที่บ้านก็ได้เข้าใจไหมเคยบอกมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ว่าไม่ต้องมาที่นี่ผ่านเพจนี้ใช่ไหมล่ะเพราะไม่ต้องการในสิ่งเหล่านั้นแต่ต้องการจะบอกจะสอนให้เราได้เข้าใจหลักการโฆษนาให้ถูกต้อง พอพูดจบพูดหมดพูดจนไม่มีอะไรจะพูดในพุงนี yeah ้ไม่มีแล้วความรู้หมดจะจะเลิกพูดไงมันจะมีเลิกพูดอยู่นะไม่ได้พูดอย่างนี้ต่อไปหรอกใครที่มันไส้ก็ทนทนเอาหน่อยตีฟังอยู่นะคนที่เขาไม่ชอบมีอยู่นะเอามีอยู่นี่นี่จริงจริงก็ถูกก็เข้าใจอันนั้นเขาเขาไม่ถึงก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่เขาเข้าใจนะเป็นความรู้สึกความเข้าใจของใครของทีนี้เอาพระนารายอันที่สามปานิปตะ การเข้าถึงโดยการนอบน้อมการนอบน้อมนี่คั้งพุเศษการเขาจะทําการประคับประคองปนมือนอบน้อมอย่างดีนะประคับประคองกาบกว่าจะกว่าจะไหว้ได้นี่น้มจิตน้มใจทำป อ, อ, อนมมืออย่างจริงจังกาบช้าๆแลค่อยๆระลึกทุกวันนี้กาบไหวพระหน้าใจกาบยังไงาอันนี้กบาบเป็นการเข้าถึงพระหน้าใจอยู่เลยไหว้บุคคลผู้สูงสุดที่เราจะกาบกาบอย่างนี้เหรอ <c oughs> เห็นคนเขาถวายบังคมพระราชาไหมเขาทําด้วยการ ปนีดไงประคับประคอรองปนีดทําการนอบนอบ้อมถวายบังคมอย่างสวยงามใช่ไหมอันนั้นแค่พระราชาอันนี้ผู้ได้เจ้าเราล่ะอย่างเงี้ยเหอ <c oughs> อเเร อ, ห, อ <c oughs> หรือยังไงอ๋อหรือยังไงทำเราทําการนอบนอบ้อมผู้ได้เจ้าให้มันให้มันนอบน้อมแบบถึงที่สุดที่สุดกับงามงามที่สุดกาดแบบให้เยี่ยมที่สุดในชีวิตเรากาดแค่สาครั้งเนี่ย เอาให้มันแบบได้บุญมากๆได้ความดีมากๆระลึกถึงเนี่ยอย่างเต็มที่เต็มเมตเต็มเม่วยอย่างเงี้ยทํากันไม่ได้เรอจะรีบไปไหนอย่างเงี้ยจะรีบไปไหนมันไม่เข้าใจครับเรื่อว่าฮะไม่ใช่มันรีบยังไงไม่เข้าใจตรงคำนั้นนั่งไม่สะดวกเวลาเราจะนั่งมันตรงเดียวเราก็ทําให้ถูกกับอิริยาบถนั่งไม่ได้ก็ตามนั่งจัดะเอาก็มโนมือ นอบน้อม <neck> อย่างเงี <New metal computers> ้ยไม่ไ <modeling> ด้เหรอน้อมไปเนี่ยจนจนระลึกให้สุดอ่ะข้าพเจ้ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากับพระธรรมพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าน่อบน้อมให้มันดีๆทําให้มันสวยงามระลึกหรืออยู่ในกายของตนเองอย่างเงี้ยสวยงามไหมสวยงามเริ่มเริ่มสวยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนอบน้อมอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยสวยไหมเนี่ย ร่วมสมัยรวมสมัยไหวเจ้าแล้วมากนั้นเลยเห็นไหมที่ที่เบสเขาทาน่ะโอ้โหสวยๆเลยอะอันนั้นนอบน้อมน้อมแบบถึงพื้นดินเู่นะเห็นไมเขาเขาทํากันขนาดนั้นเลยนะปณิปตาอันนั้นคือการเข้าถึงราตฐานใจโดยการน้อมน้อมเรียกว่าปณิปาตัดน้อมกาบมาตั้งแต่ ถ้าฝนเป็นเบาหวานนี่บูบเนี่ยนะเป็นอยังไงนอบน้อมเกินไปแต่ก็ไม่ไม่เกินก็เขาทําได้นะทําได้ในส่วนที่เขาทําได้แต่ก็เขาก็ต้องทําให้ถึงที่สุดอะอาตามาก็เห็นแต่คนไทยเรานี่แหละมันนอบน้อมพุทธเจ้ายังไงนอบมันมันไม่มีใครสอนอาจารย์ปานนี้บอกไม่มีใครสอนพุทธนามีมาในเมืองไทยมากี่ปีแล้ว เอายุคพระเจ้าอโศกพศเท่าไหร่ห้าร้อยสองันกว่าสามร้อยมาถึงห้าร้อยพศสองพศห้ร้อยห้าร้อยน่ที่ว่าพระเจ้าอโศกสมัทูตมาสู่แผ่นดินสยามเนี่ยหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วสองพันห้าร้อยหกสิบเอดสหกสิบแล้วกี่ปีเข้ามาในประเทศไทยสองพัหรอแล้วเหรอแล้วไม่ใช่ยุคพระเจ้าอโศกอ่ะ ก็ห้าอ่ะพอสหรอรมาแล้วอ้อนับมาแล้วใช่ไหมสองพันเท่าไหร่ปีพอาร้อก็เป็นพังพักพว่าปีแล้วบอกไม่มีใครสอนแล้วที่ผ่านมาเขาทำอะไรเขาไม่ได้สอนหรือเขาทาอะไรสอนอยู่สอนอยู่แต่ว่ามีครไม่ได้ยินเรื่องอย่างนี้ไม่เรื่องอย่างนี้ใช่ไม่มีใครสอนให้ละเอียดาพระพระที่นำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สยามประเทศในเวลานั้นตอนนั้น ตามประวัติศาสตร์เราเอาประวัติศาสตร์ว่ากันเลยไม่ใช่เรื่องยกเมฆมาจากไหนหรือเอามาจากอากาศาเอาประวัติศาสตร์พูดกันเลยว่าพระเจ้าอาโศกปฏิเสธการทํารูปเคารพใช่ไหมสมณพูดรส่งมาในเวลานั้นไม่มีพุทธรูปมาเลยไม่แต่องค์เดียวมาแต่ละคําสอนแล้วคําสอนที่สอนบนแผ่นดินสุวรรณภูมิในเวลานั้นที่ชนประชาชนฟังกันและบระรลุธรรมกันคือเวรัญชสูตรคําสูตรสูตรสอน เ, อเวรัญชสูตรหรือเปล่าใช่สูตรนี้ หรืผิดวะสูตรนี้หรือเปล่าะ <c oughs> ขออภัยนะถ้าตามาจําผิดมันสูตรนี้แหละถ้าจําไม่ผิดนะมีปั๊มไหนบ้างเลยในสูตรนี้เลนะ <c oughs> ือดสามัญะผลสูตรประมาณเวรันเวรันชาสูตรเรื่องเกิดที่เมืองเวรัญชา <c oughs> พราม <c oughs> เมืองเวรัญชานี้อก่าวตามิพระรัตนไตรเต่สุภาษารลบซึ่งเป็นลูกศิษย์ก่าวสารเสริญพระรัตนไตร ลูกศิษย์กับอาจารย์อาจารย์กล่าวตำหนิพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตยเนี่ยไม่ดีแต่แต่ลูกศิษย์มีปัญญาฟังคตาตําสอนพระรัตนตรัแล้วกล่าวสรรเสริญว่าพระรัตนตรยดีลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ขัดแย้งกันไปอย่างเงี้ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นจนเรื่องนี้ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตัดเรื่องเนี่ยเวรัญชสูรนี้ขึ้นมาเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปอ่านมาให้เล่าฟังทีหลั ง, งวันนี้มันจะทําไม่ได้แต่จะพูดถึงพระรัตนตยพระรัตนตรัยมี4ทางนี้เท่านั้น จำได้ไหมนหนึ่ง ม, มอบตอนเป็นศรริษย์สองมีพระตาตัยเป็นเครื่องนําทา ง, มงสา ม, มอบอเอไม่ใช่มอบอันนึงมอบกายถวายชีวิตอันที่สองมีพระตาตัยเป็นเครื่องนําทางอันที่สมอบตนเป็นศิษ์อันที่สรรี่เข้าถึงโดยการนอบน้อมเราจะไม่ไหว้เราจะไม่ไหว้อย่างอื่นนอกจากพระราตนไตเราจะไหวพระธาตนาไตเท่านั้นนอบน้อมแต่เฉพาะพระราตนไตเท่านั้นจะไม่ก้มหัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นอีกนอกจากพระราตนไตนะ หวนี้ต้องก้มให้กับพระนรตเท่านั้นจะไปก้มให้กับพระพรมไหมเขามีสารพระพรมสีหน้าตั้งอยู่พระพรมจะจะก้มหัวให้ไหมพระธนรตสอนให้พวกเราเป็นพมกันได้เลยใช่ไหมเป็นเมตกันได้ไม่ใช่สอนให้เราเป็นพมได้เลยด้วยการใช่เจริญเมตตาพมวิหารเราสามารถเป็นพมได้เลยเมื่อเราสามารถทําตัวเองเสมอกับพมได้เราจะไปไหว้พรหมทำไมพ่อเราก็สามารถยกตัวเองให้เป็นพรหมได้ใคยัง เพระนัรมก็ไม่ได้สูงส่งกว่าเราเพราะการที่เขาไปเป็นพรมได้เขาก็ต้องประพฤติทําในโลกมนุษย์นี้จึงไปเป็นพรมไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเป็นพรมขึ้นมาเลย <Okay. S 1> อยากจะไอ้ทำร้ า, ายใครใครไม่เคารพกูกูก็จะบันดาลให้มันมีอันเป็นไปอย่างเนี้ยอันนั้นชื่อว่าเป็นพรมไหมเ <No. S 1> มตตาเขาจะงุ้งมากปราธนาร้ายกับใครไหม <No. S 1> ใช่เมตตาเนี่ยคนที่เมตตามีความเป็นพรมหากพรมหากเราไม่ไหวพรมแล้วพรมนั้นมาบันดาลให้เรามีอันเป็นไปต่างๆนาน า, นาน มันยังมีคุณสมบัติตำกว่าการแผ่เมตตาที่มีคุณสมบัติในจิตเราที่เราแผ่เมตตาตามหลักคําสอนพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่นําสู่ความเป็นพรมหรือว่าทําตัวเราให้เป็นพรมพรมยิ่งหันสีพรมสีหน้าเมตตากรุณาเมตตาและอุเบกขาอยู่ตรงนี้เราสามารถเป็นพรมสีหน้าได้นะเป็นกับคนอื่นไม่ได้ก็เป็นกับลูกเป็นกับลูกไม่ได้ก็เป็นกับเพื่อนสีหน้าเป็นกับเพื่อนไม่ได้ก็เป็นกับคนรอบข้างที่รู้จักกัน นะคือเป็นเป็นพรมสีหน้าจากคนคนใกล้เคียงก่อนแล้วค่อยขยายไปพระไตรเข้ามาสู่สีทางนี้เท่านั้นเป็นประตูเข้ามาสู่พุทธศาสนาหากไม่สามารถเข้ามาสู่ศาสนาในสีประตูนี้ไม่มีประตูไหนอีกไม่มีเส้นทางไหนอีกและไม่มีช่องทางไหนอีกที่จะเข้ามาสู่ศาสนาการกระทําทั้งหมดหากกระทําอยู่นอกเหนือการเข้ามาสู่ศาสนาในสีทางนี้การกระทําทั้งหมดเป็นการกระทํานอกพระพุทธศาสนาหมดทั้งหมด ที่เป็นอยู่กิจทางศาสนาที่ทําอยู่นอกลุกศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นขอยืนยันอย่างนั้นตามประวัติศาสตร์ก็ไปศึกษาให้ชัดแจ้งชัดเจนว่าเขาไม่ได้สร้างรูปเคารพกันในสมัยพระเจ้าอาโศกและเขาถือว่าการสร้างรูปเคารพถือว่าเป็นการหมิ่นพระพุทธเจ้าเหยียดยามพระพุทธเจ้าเพราะไปสร้างสิ่งที่เป็นรูปเทียบพระ อ, องค์พระ อ, อ, องค์ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรไปเทียบพระ อ, องค์ได้ แม้จะสร้างขึ้นมาเทียบก็เทียบไม่ได้แต่สร้างขึ้นมาแล้วทำไงก็ยอมรับว่ามีอยู่ก็ให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้เป็นที่ที่รับทราบว่าเขาปั้นรูปเขารบพระพุทธเจ้าขึ้นมาเท่านั้นเองครับมันเป็นทองคำครับเขาไปติดตรงมันเป็นทองทองคำก็เปรียบเทียบความคุณค่าแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพชรก็เปรียบเทียบความเป็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าไม่ได้ หากเราจะเอาพระพุทธเจ้าไปไว้ในลูกขรรภแล้วมาตีราคาการบูชากันองคเล็กองคน้อยราคาเท่านั้นเท่านี้เราไปตีค่าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั้นเหรอรหากเราเอาพระพุทธเจ้าไปไว้ที่ลูกขรรภแล้วตามหลักความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นอุบัติได้แค่พระองค์เดียวเท่านั้นหากมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม <c oughs> แผ่นดินนี้จะพินาศ เพราะแผ่นดินนี้ไม่สามารถรองรับคุณธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถึงส อ, องพระองค์รองรับได้แค่พระองค์เดียวเท่านั้นหากมีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเกิดขึ้นคู่กันอย่างเงี้ยคือเป็นความคิดของเทวดาเขาบอกว่าขนาดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอุบัติขึ้นในโลกยังมีคุณประโยชน์และทําประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาลอันหาประมาณไม่ได้เห็นปานนี้หากมีพระพุทธเจ้าส อ, องพระองค์เกิดขึ้นในโลกจะมีคุณค่าขนาดไหน <c oughs> คุณค่าอันประมาณไม่ได้จะขนาดไหน คนทั้งหลายก็คงจะพน้นภูปกันไปเป็นแบบหมดหมดกันแล้วนะแต่ปรากฏว่าทเทวะองค์หนึ่งก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาสองพระองค์เพราะหากพระเจ้าเกิดขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่งแผ่นดินนี้โลกนี้ทพินาศพังทลายถล่มทลายเพราะไม่สามารถรองรับคุณธรรมพระพุทธเจ้าได้สองพระองค์เพราะฉะนั้นหากเราเข้าใจว่าลูกเคารถนั้นคือพระพุทธเจ้า เราก็สร้างไว้องค์เดียวเลยแล้วก็กับองคเดียวนั้นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแค่ไหนก็สร้างแค่องค์เดียวอย่าสร้างถึงสองถ้าสร้างถึงสองนั้น<ม>เกิดอะไร<ม>แผ่นดินนี้พินาศแต่ทําไม่แผ่นดินนี้ไม่พินาศก็เพราะว่าลูกข้ารตนั้นไม่ใช่ผู้ที่จ้า<ม>เป็นเพียงแค่พัตถุพ<ม>ยา <Okay. S 1> เงยามเ่อะบ้านบาง บ, บ้านไม่ใช่มีองค์เดียวนะะ<ม>เยอ ปางนั่งปางยืนปางนอนปางห้ามหยาดปางตามอายุด้วยตามเอ็งใช่ตามวันเกิดตามวันเกิดแต่ถ้าเครื่องถ้าเรานี้ชอบไปอยู่กับคนรวยเราก็ เขามีเงินซื้อเนาะคนจนไมอยากซืเพราะไม่มีอะไรจะไปไหว้ถ้าไม่มีเงินซื้อเข้าไปไหนได้พระเครื่องที่ราคาแพงๆราคาแพงๆก็แสดงว่าคนจนไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เหรอนายสุปปุทถะโลกเรือนเป็นขอทานเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมได้ไดแต่บรรลุโสดาบันด้วยใช่ไหมใช่แต่ทุกวันนี้คนจนไม่มีเงินพอที่จะเช่าบูชาพระองค์แพงๆมาเข้าถึงพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่มีอะไรห้้คลอ เขาก็เข้าถึงพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าคนที่ต้องมีพระให้คอเต็มคอถึงจะเป็นแสดงออกถึงความเป็นเพื่อศาสนาชาวพุทธที่แท้จริงคนที่มีพระให้คอไม่ใช่ชาวพุทธอย่างนั้นหรือเปล่าข้ามองว่าถูกใครเป็นคนใครเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าคนที่มีรูปเคารพเท่านั้นจึงจะเป็นพุทธศาสนามีพุทธรูปเท่านั้นจึงจะเป็นพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธที่แท้จริงใครเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาคนที่ผิดนะ รู้ไม่ว่าใครเราไม่รู้ตนตนต่อที่มาที่ไปเลยใช่ไหมเมื่อเราไม่รู้เลยแล้วก็ทําอะไรลงไปด้วยความไม่รู้ไหอยด้วยความไม่รู้ยึดถือด้วยความไม่รู้กราบไหว้ด้วยความไม่รู้บูชาด้วยความไม่รู้ความไม่รู้ก็ครอบงำอวิชาปัจยาสร้างฆ่าราความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสืบต่อไปเป็นชาติชราพยานทีมรณะโสกกะบาลีเทวทุกโทมัตอุปายาตพูดบาลีอีกแล้วพูดภาษาการอีกแล้วภาษาการของจักรวาล ได้อยู่นะนั่นแหลอวิชาครอบงาจิตดวงจิตดวงใจของสัตว์สัตว์มนุษย์ไม่ใช่สัตว์มนุษย์คำว่าสัตว์รวมถึงคําว่าสัตว์ในความหมายที่วงทรงตรัสนั้นคือสัตตะไม่ใช่สัตตะวะสัตตวะหมายถึงสัตว์เดรลฉานสัตตะวะคือวเวนกาลันอันนั้นคือสัตวเดลฉานสัตตะของความหมายพระเจ้าคือซอเสือเป็นอากาศตอเต่าตอเต่าอันนี้คือสัตตะมาจากคําว่าโพธิสัตว์เข้าใจไหมสัตว์ตัวนี้แปลว่าผู้คล้องอยู่หมายถึงว่ายังยังเวียนบ่ายตายเกิดอยู่ยังคล้องอยู่ ยังติดยังค้องยังไปไหนไม่ได้จึงเป็นสัตว์เพื่อจ้าพ้นจากความเป็นสัตว์เพราะเป็นผู้ไม่คล้องพระอรหันต์พ้นจากความเป็นสัตว์เพราะเป็นผู้ไม่คล้องหากยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์หรือไม่บรรลุความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณนั้นยังเป็นสัตว์อยู่เข้าใจไหมเป็นผู้คล้องอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อเข้าด่าไอ้สัตว์นี่ยอมรับเลยถูกต้องแล้วสัตว์คนละตัวแล้วฮะอันสัตว์ตะวันนั้นเป็นสัตว์เป็นฉันใช่ไหมเอออันนี้สัตว์ตา เวลาเขาว่านางสัตว์ทั้งนั้นเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอ๊ะมีคนไม่ใช่สัตว์อยู่มั้งเอต้องเป็นพระอริยเจ้าเอ๊พระโสดาบันนับว่าเป็นสัตว์หรือเปล่าเรื่องมาจากสัตว์นะครับสัตตะคือผู้คลองอยู่คือบุตรชนทั้งหมดแต่ไม่แน่ใจวรรนับพระอริยเจ้าโสดาบันขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวเนี้ยขอขออติดไว้ก่อนตรงนี้ยังอธิบายมไม่ชัดเจนเพราะสัตตะ คู้คล้องนั้นใช้กับบุคคลผู้เบียดบ้ตายเกิดพระโสดาบันเป็นผู้ดับการเกิดในภพที่แแต่ยังเหลืออีกเจคือยังคล้องอยู่ก็สัตว์นั่นแหละเนาะโสดาบันก็สัตว์นั่นแหละเพราะนั้นด่าโสดาบันว่าไอสัตว์ก็ได้นี่ได้ไอคล้องไปยิงเจ็ดชาต่จะไปด่าทาไมเนาะไม่ด่าไม่ฉันอ่ะจะเทศจะเทศให้ฟังนี่แหละ ไม่สนใจเรื่องชงเรื่องชันหรอกเดี๋ยวว่าจะเบียดเบียนช่างละไม่ไม่เบียดเบียนเดี๋ยวเค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพระราตรยเข้าใจแล้วนะมีเรื่องไหนที่จะให้อัตมาอธิบายอีกถามมาที่นี้นอกประเด็นจากพระราตยแล้วพระราตายจบแล้วนะจบแล้วนะไปเช็คตัวเองให้ดีว่าตัวเองซ้ำบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เช็คตัวเองเอาเองปิดอบูร์หรือก็ปิดอไูยาามเรื่องการปิดอบูรปิดอะไบูร ก็หากเข้าถึงรันาตนตรัในสี่ทางที่พูดถึงเนี่ยบุคคลนั้นจะถูกปิดอบายภูมิตลอดแสนกับอัตโนมัติเลยปิดตั้งแต่วันที่เข้าถึงนั้นเข้ามาสทางในสประตูนเนี่ยพระพรัตนตจะปิดอบายภูมิให้ทันทีเลยแต่ถ้าขาดเปิดอีกเข้าใจไหม <c oughs> เอากเพื่อนนางวิสาขามาสมาทานพระราัตนไตรัยตอหน้าพุทธเจ้าพอคือสมาทานด้วยความเกรงใจนางวิสาขาไง พอออกไปจากวัดแล้วก็ไปนับถือศาสนาของตัวเองพระรัตไทปิดอบายยปุ่ให้แล้วพอไปนับถือตามลทัทธิเดิมของตน <หา S 1> เปิดอีกที่นี่อบายบายปุ่นรกเปิดอีกคุมนรกเปิดไว้รอแล้วที่นี่ลอกไม่ได้พระรัตไทน้ำวิสาขาก็เลยไปถามมาพวกท่านยังประมาทในการยึดถือพระรัตไทอยู่หรือทําไมไม่ปฏิบัติต่อพระรัตไทให้มันยึดมั่นในกิจในใจให้มันมั่นคงนเพื่อนก็เลยกลับมานับถือสมาทานพระรัตไทใหม่ ก็มาหาพระพุทธเจ้าว่าเพื่อนของข้าพระองค์เคยประกาศสมาทานับถือพระราตรยแล้วแต่กับไม่นับถือศาสนิาเดิมๆที่ตัวเองเคยนับถือมาแต่บรรพบุรุษแต่โบราณโบราณที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมาจะขอมาสมาทานใหม่ได้ไหมพระเจ้าข้าพระเจ้าตอกได้เธอก็พาทําเลยสมาทานเลยนี่ก็ได้ก็ก็ปิดอบายภยูมให้อีกทีนึงแต่ถ้าไปทําผิดอีกก็เปิดอบายภูมอีก ทีนี้ถ้าใครยึดถือรัตนตยตลอดสิ้นชีวิตอบายภูมิจะปิดตลอดไปถึง1 0 0 0 0แสนกลับ 4, 5, 5, ยวนานมากแล้วกลับที่สุดท้ายคือกลับที่1 0 0 0 0แสนเขาจะต้องบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนยืนยันอย่างนั้นไม่ไปสู่อบายภูมิอันเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรผีปีศาจอสุรกายหรือนรกเด็ดขานนี่คือองคุณของบุคคลผู้นับถือพระราตย ที่เป็นพระรัตนตยโดยความเป็นพระรัตนตยที่เป็นพระรตตยที่ไม่ใช่รูปเคารพวัตถุมงคลเครื่องลังเครื่องปูกดุษยของขังฟังให้ดีนะตรงนี้สาคัญต้องเป็นพระัตนาไตยใช่ในพระพุทธศาสนาจะถึงว่าวภาษาศาสตร์สำคัญเพราะว่าถ้าเข้าใจภาษาศาสตรัตามปฏิบัติถูาคัญยังไงเด็กต้องรู้ภาษาศาสต บางทีว่าบุญเนี่ยหนูงู่น่ไปทำบุญไปเอาบุญนะเรื่องอื่นมีมั้ยจะทำมีอันนี้มาในสัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวใครก่อนออกใครก่อนฮะยมตายฝันบ้านกาไปลงมาลงมาแล้วอืแล้วขึ้นมาหรือยังฝันนมฝันเหมือนเคยเนี่ยไปลุยโคลลุกแก่เข่า อยากคนแล้วก็ไปเดินลุยหานไฟยาวมาหานภาจานค่ะแล้วจากคนนั้นก็ลงกระทะทองแดงแล้วไฟทั้งลุกเขาบอกว่าจะลงไปเองหรือว่าจะจะอุ้มให้ลงหนาบอกลงไปเองมาลงไปอื <c oughs> พอลงไปแล้วเขาก็บอกว่ามีอีกมีอีกคทางคือลุยลุยน้ำนํำน้ําลากน้ําแดงน้ำแน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยวอะยลงไปนูก็ไม่มีหูยืนดูอย่างเงี้ย็าบอกน่าลบอีกหูมนึงเลอะอยู่ข้างล่างไฟลุกล้อมั้ึงเลยเหรอหนูบอกโอ้มันลึกมากถึงมุมเป็นเหวลึกไปเลยแล้วก็ว่ายน้ำอะอธิษฐานนึกถึงพระพระคุทธธรรมปสงค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญะถ้าอย่างไงถ้าหนูยังมีชีวิตให้หนูปฏิบัติทำมาถึงเหนทางนี้ ที่เปทางหคนขอให้หนูรับรู้หมดทั้งหมดแล้วให้หนคน้หนก็ไปดึงหญ้าใส่เส้นเล็กเดียวละยาวมาดึงขึ้นถ้ารูไม่เห็นถ้าฤสีพนั่านก็นอกากขาข้างนี้ฤศีก็อยู่ในนรกเหรอไม่รู้เหมือนกันอยู่กี่าึงอยู่่มอมินมินกับนรกนั่นแหละเนาะฤศีนี่ก็ใช่กบนรกก็เป็นอย่างนี้ทวัน ขั้นที่ห้าเห็นเตือนดับเตือนดับขั้นที่หกตาทะพุ่งหูตั้งเสียศิบุกและเถียยนก็ลงการแล้วกล่อมก็รู้โลกเบาะนิยมสิละพิจารณาธาตุของธาตุดอนตอนที่นั่งสมาธิจะเห็นตัวเองนะมันนอนกับพื้นเนี่ยคือว่าถามถ้าไปไปแล้วเป็นยังไงถามถดลงไปแล้วเป็นยังไงพิจารณาตัวเอง มันก็ขึ้นอือนะค่ะอาจารย์ตัวหนูจริงๆนขึ้นอืออขึ้นออขึ้นมามันก็ตามันก็ผลัออกหน้าเทียหน้าลิ้นกรจกแล้วทีนี้เห็นเห็นตามลาดับกขั้นตอนเลยนัน่ะมันมันเห็นจริงๆแล้วทีนี้ท้องก็แตกเป็นน้าเือนน้าหนองทลักออกเต็มพื้นดินและไส้ใหญ่ไส้น้อยหวะจกฟังไวเลยนะนี่คือกรรมฐานอันหนึ่งนะ่นน่ะฟังนี่ต้องเป็นอย่างนี้ เนื้อของหนูวายหลไปหมดเลยไม่มีเหนืออะไรเลยแล้วหนูก็สอนใจหนูเบาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกใจมีสองใจจริงๆสองจิตจริงๆเพราะนี้ก็เห็นกระดูกขาวโผล่หนูเห็นกระดูกกระโหลกของหนูก็หลุดตาแมงซี่คงข้างในก็หลุดกองนิ้วมือนิ้วเท้าที่เป็นเป็นกระดูกก็หลุดแล้วก็หนูก็ดูวนไปพอดีลมไฟธรรมชาติมันก็พิชซัดเอา มันก็ย่อยถลายเป็นกายเป็นรินหนูก็มองวาหนูตัวหนูมีไหนมันไม่มีอะไรไหนไม่มีตัวโนแล้วก็เลยทุกวันนนั้เป็นเป็นความว่างเปล่าถูกต้องนั่นคือการเห็นถูกแล้วแต่ใช้ความว่างเป็นพื้นฐานของการพิจารณาเห็นอารมณ์เกิดดับอันนั้นคือเราเห็นทางกายเราเห็นทางกายคือเห็นกายลงสู่ความว่างแล้วยังไม่พออาศัยความว่างนั้นเห็นอารมณ์ที่มากระทบจิตเกิดดับเกิดดับต่อ นี่คือสิ่งที่เราทําต่อแล้วมันมีสองจิตไหมอาจารย์จินหลงจิตหนึ่งสอนมันเป็นอย่างนี้อ๋อไม่เข้าจิตจิตเดิมไม่ใช่จิตเดิมอ่ะจิตที่เป็นระบบจิตธรรมชาติอันหนึ่งจิตที่เป็นระบบจิตนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสติก็คือจิตหนึ่งที่เกิดมาจากจิตจิตนี้เข้าใจไหมเขาเรียกว่าจิตจิตที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสติสิ่งที่สร้างสตินี้คือมาคือกรรมฐานที่เราทํา ป้อก็เกิดจากจิตมันจึงเห็นจิตจิตที่เป็นระบบจิตนี้ซึ่งเป็นไปตามม่านาทของกิเลสโดยธรรมชาติของมันที่เป็นมาแต่ก่อนเพราะกิเลสซ่อนอยู่ในตัวนี้มันจึงไปไปตามมานของกิเลสจิตที่เป็นสติที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสติจาตัวสตินี้จะคอยกํากับและบอกมึงอย่าหลงนะเข้าใ จ, ใจยังเหมือนกับอตาตมานั่งอยู่นี่กับอตาตมานั่งอยู่นั่นในจอนั่น เข้าใจยังมันก็มาจากไอ้ตัวนี้เหมือนจะถึงคอยอยู่ในจอได้แต่ถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้นั่งอยู่นี่ไอ้ในจอนั้นก็ไม่มีก็ว่างเปล่าเหมือนกันแหละจิตที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสติอันนั้นยังเป็นสติอยู่แต่มันจะมีจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาสติที่ใช้มาเข้ามาเข้าจะเกิดเป็นปัญญาจะรอบรู้ในกองสังขารเมื่อรอบรู้ในกองสังขารจิตดวงนั้นก็จะส่งผลก็ไปสู่วิมุติธรรมเป็นจิตดวงมีมุตก็เป็นจิตมัคคิตผลจิต มันเลยสติไปอีกอะ น, นะเป็นมัคคจิพละิตะสอนิงทุกวันหนูเดินไปแหลไปวัดเ็นองค์พระเจ้าตนอิมอีกจินงถามอย่าอยา่าไหว้นะมันไม่ใช่ของตนอยา่าไหว้นะมันก็ไม่ไหว้เจ <c ười> ียเว้ยเนี่ยเนี่ยคนอมิมใหญ่ๆอยูอ่น<ว>ีไไ่ ไ, ไ, ไ, ไม่ไหว้ไม่ไหว้ไม่ให้ไหว้นะโอถูกต้องนัน้มันโค้งแท้อะไรน่ะเขาบอกอย่าไหว้นะไม่ใช่ของตนล่าหนูจะเก็บเอาทองคําบอกอย่าเอานะไม่ใช่ของเรานั่น มันมีสองอันจริงอยู่ในเนี่ยถูกต้องแล้จิตที่มีสติอันนี้โอ้เอวของคุณอวไปขออภัยนะคุณเอวพูดพูดให้ฟังนะใจน่ะกิแล้วทุกวันทุกวันะทุกวันนี้ผมก็อยู่กับความวงเปล่ามันไม่ใช่อะไรยึดอะไรมันไม่ใช่ตัวตนไปเห็นเจ้าใหญ่ใดโตก็บอกออันนั้นก็เป็นแค่ ธาตุอนธาก็เหมือนหนูหนูสลายไปได้คนนั้นก็ต้องสลายไม่มีอะไรตั้งอยู่เพี้ยงอย่างงี้ถูกหรือผิดไม่รู้ได้ไว่าจิตมันสอดร้อนนแต่ถ้าไปตั้งความงงงวยกับ <c oughs> สิ่งที่เป็นอยู่วัตถุหรือผิดอันนั้นอะผิดออต้องไม่งงต้องรู้ชัด<อ>ต้องรู้ชัดในสิ่งที่ปรากฏกับจิตตน<อ>กับเข้ามาในวิถีของจิตที่รับทราบเป็นความรู้ความเข้าใจมันเป็นยานเป็นการยังทราบามความเป็นจริงแล้ว โดยสมมุติเป็นอีกแบบหนึ่งโดยการยังทราบตามความเป็นจริงในภายในอีกแบบหนึ่งคือการรับทราบสิ่งที่เป็นสมมุติด้วยปัญญายัญ น, นะเข้าใจไหมกับบุคคลหนึ่งที่เป็นไม่ได้ฝึกเลยรับทราบสมมุติเต็มสมมุติเ ต, ต็มเต็มไม่มีปัญญายัญเป็นเครื่องคํานวณพิจารณาและยังทราบความจริงในสิ่งที่ ร, ร, รับทราบเมื่อไม่มีปัญญาในการยังทราบความจริงในสิ่งที่ตัวเองรับทราบก็จะหลงสิ่งนั้นเป็นจริงคือเข้าใจสมมุตินั้นเป็นจริง อันนี้เขาเรียกว่ารู้สมมุติแต่มีปัญญาอย่างทราบในสิ่งที่เป็นสมมุติจะไม่หลงในสมมติว่าเป็นจริงก็เป็นแค่สมมติอันหนึ่งนทุกวันนะดีมากสุดยอดสุดยอดทำไมต้องบักเวเตด้วยทางเหนือเนี่ยสุดยอดทำไมต้องบักเวเตด้วยแล้วอ๋อเป็นอย่างนั้น อาจารย์ตามอันนี้เราหกขั้นตอนเลยใช่เป๊ะเลยขั้นตอนเป๊ะเลยเกลือแล้วก็คออกนุ่งหน้าเียน้าสว่างมบไม่ใช่หมไม่ใช่หมกินวหมูไม่ใช่นาไม่ได้ท่องนานนะอ่ไม่ได้นานนนะอ่าองนี่เขาท่องมามานานแล้วนานแล้วเจอกันนานแล้วเนาะอ๋ท่องชเกันนแล้วาะอ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ ไปเนื่องในโอกาสอะไรไปฉันเฉยต่มาไม่ไปไปเทศจะไปอยู่ไปฉันอาหารเฉยไม่ไปยิ้มร้องแล้วก็กลับไม่เอาโยาัไหปหมแล้วทางจะได้บอกูวันนั้นวันไหนนะวันเสาร์ออทไมต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ทไมต้องเป็นวันอาทิตย์ใช่พโยติดสอนวันเสาร์วันที่เท่าไหร่ท ติดอะไรในนอสองสิบนี่ ต, นตนกนแรกแรกดูสิกี่ขั้มเ<ะ>สาวันเสา ก, กี่ขั้มการแรกคิดว่านี่เด็กสอบกันยันสิบขั้มพ่อไปได้ไปได้สาทุกคนสาธุสาธุสาธุาธ <ders> ุาสารุสาธุสาธาธุสาธุาธุสาธุสาธาธุ <ungefähr> <ง> <c oughs> ที่พูดที่มาอาทตที่าิที่มาแต่วันนี้อย่างคุยกันนะคุยกับคุณวัชรีบอกว่าเรา่จะนิมนต์อาจารย์มันจะออกพรรษาของใช่ไหมใช่พระอาจารย์บอกว่าออกพรรษามันอะไรกับพรรษาแล้วไม่อยู่ไปตก็เลยต้องเกินเกนเฉยว่าจะไปแต่ไม่ได้บอกจะไปตอนไหนต้องรีบไงคะน้ำน้ำขึ้นให้ไ้ต่างได้ ครับคพระอาจารย์าจารย์อาจารย์ไปได้กอีกควก็น่ต้อง่านเนาะอาจารย์นะยยิมนต์ั่านตอนนี้อาจารย์ด้วยครับมีคาถามมายานามโคโคพิขุนิมนต์ตอบหน่อยครับพระอาจารย์ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคืออะไรอะไรไม่มีนิมนต์อธิบายให้แจ่มแจ้งเอ๊ะอันนี้มันอยู่ในในในบทธรรมไหนอันนี้ อิทับปัจจยตาใช่ไหมเนี่ยฟังให้ดีนะเขาแปลออกมาอย่างเงี้ยเ <_ S 1> มื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีี่เข้าแปลนะเป็นภาษาที่เข้าแปลมาแต่ภาษาพุทธวจนะว่ายังไงภาษาที่เป็นพุทธพจนะ์ที่เป็นพระเจ้ทาทรงตัดพระองค์ไม่ได้ตัดไปอย่างนี้นะหรือถ้าแปลอย่างนี้ก็แปลยั ง, ลยงไม่ถูกเพราะฉะนั้นการที่เราไปศึกษาคําสอนด้วยการแปลเนี่ยโดยที่ไม่เข้าไปถึงตัวของภาษาเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจผิดเพี้ยน ภาษาบาลีธรรมะก็ยังไม่ได้กลับไปทบทวนหรือไปดูต้นแบบของภาษาอีกแต่ก็ยังจําเอาออกมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ม, มันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขอให้เข้าใจว่าคําว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมาจากบาลีว่าอิมัตซ์มิงสติอีดังโโหตินะทีนี้บาลีบอกอิสอิมัตซ์มิงแปลว่านี้สติแปลว่าอะไรระลึกรู้ระลึกรู้ใช่ไหมอีมังก็แปลว่านี้ โหติแปลว่าย่อมมีเขาแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแปลอย่างนี้ยังไม่ถูกแต่ถ้าแปลให้ถูกต้องตามธรรมชาติจริงๆต้องแปลว่าแปลสติขึ้นก่อนอเมื่อร ะ, ะลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อไม่ระลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่ระลึกถึงสิ่งนี้สิจึงมีใช่นึกถึงบุญบุญเกิดนึกถึงบาปตอนนี้บาปเกิดพระเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าไปนึกถึงบาปที่ล่วงไปแล้ว แต่จงนึกถึงบุญที่ล่วงไปแล้วในขณะที่เรานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดและจะมีขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องนึกถึงธรรมะนึกถึงสิ่งที่เป็นอคุสนในขณะวันหนึ่งพวกเราระลึกลึนึกสิ่งอะไรบ้างในแต่ละวันนึกถึงอะไรอันนั้นก็จะเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรานึกถึงมันสติขึ้นก่อนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดถ้าเราไม่นึกถึงมันสิ่งนั้นมีไหมไม่มี ไม่มีไม่มีถ้าเราไม่นึกถึงบ้านตอนนี้บ้านเรามีไหมไม่มีเห็นไหมทีนี้คําว่าระลึกคําว่าสติตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่สติทั้งเป็นสัมมาและวิชฉาเข้าใจไหมเป็นกลางสติที่เป็นกลางการระลึกเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเป็นธรรมชาติแห่งการระลึกทําไมเขาถึงใช้คําว่าสติอิมัสมาิงสติอีดังโหติกับคําว่าอิมัสมาิง อสติเมื่อไม่ระลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมาสมิงอัสติอีดังนะอีดังโหติสิ่งนี้ย่อมไม่มีหมายถึงว่าไม่ระลึกถึงมันมันก็ไม่มีเราทําบาปแล้วล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วถ้าเราไม่กลับไปนึกถึงมันมันจะเกิดขึ้นมาได้อีกไหมไม่เกิดมันไม่มีแล้วเพราะอะไรมันล่วงไปแล้วมันละไปแล้วดับไปแล้วใช่ไหมแต่เวลาเรา เป็นมิจฉาสติปั๊บเรานึกถึงมันกูไม่น่าทําเลยกูไม่น่าทําเลยเป็นยังไงบาปเกิดขึ้นอีกเขาจะยังเกิดขึ้นอีกเลยเราได้ทําบาปใหม่เลยในเวลานั้นทุกครั้งที่ราลึกใช่ทุกครั้งที่ไปนึกถึงมันอ่ะเพราะนั้นวิธีละบาปยากไหมไม่ยากเพื่เปลี่ยนการนึกใหม่แค่นั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าตามนึกถึงโทษที่ตัวเองเคยกระทำมาแต่ก่อนๆเพราะนั้นจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ แต่จงนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงสิ่งที่เป็นความเจริญนอกงานคนเราน่ะมันผ่านบาป ก, กันมาทขนาดเลยไม่มีใครดีมาตั้งแต่วันเกิดไม่มีใครดีมาตั้งแต่ในท้องหรอกพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดสรุมาตั้งแต่อยู่ในท้องหรอกเข้าใจยัง เ, เพราะฉะนั้นเขามาแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอตาตมาจึงไม่ยอมรับคําแปลนี้เพราะเราไม่รู้ว่าคําวออ่า <wood? S 1> เมื่อสิ่งนี้มีมันคือสิ่งไหนล่ะ ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเมื่อเรานึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อนึกถึงบาปบาปก็มีนึกถึงบุญบุญก็มีผู้เยาบอกว่าหากเราทําสังฆท า, านไว้เมื่อสิปีที่แล้วแล้วเรานึกถึงสังฆท า, านที่ทําไว้สิปีที่แล้วทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เหมือนกับเราได้ทําสังฆท า, านทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเข้าใจไหมเหนือก็จะเริ่มผูโสนในจิตเพราะฉนั้นอิทัิปัจจัยตามมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนหะไรเป็นเรื่องธรม ร, ธรมดาธรรมดา ที่พงษ์ทรงตักถึงให้พวกเราเข้าใจในชีวิตธรรมะของพระเจ้าไม่ได้ลึกรับซับซ้อนนะเนี่ <c oughs> แต่เปี่ยนเแต่ว่าเราถูกสอนมามันไม่มีใครสอนน่ะมันให้ยุ่งยากเลยเช็คเชยเน่ยยุ่งยากเองมัน <c oughs> <c oughs> ไม่แจ้งกราม่ฟัมาบอกหมายครับควหมายมันไม่แจ้ไม่มีใครไขภาษาอักขระที่ฟังเลยเขาไม่เห็นอิมัสิีแต่ตัวแรกสติ อ๋อเขาบอกว่าแผนกล้องให้เห็นบรรยากาศรอบๆอยากจะดูคนนั่งฟังด้วยเหรอโว้ยพอแล้วดูดูคนเดียวนี่ก็พอแล้วข้าอยากเห็นคนรอบๆขาอยากเป็นข้าอาจารย์้าสมมติว่าเขาบอกว่าคิดถึงบุญที่เราทำมาตลอดใช่ไหมคะคิดถึงแต่บุญ แล้วถ้าสมมุติว่าเราเคยไปสร้างุือไปสร้างห้องน้ําสร้างอะไรมาเกิดว่าจิตเราดับตรงนั้นเราไม่เป็นเปรตจะเป็นเปรตได้ยังไงก็คือเราคิดมันจะเป็นเปรตตื้ถึงวัตถุที่เราสร้างใช่ไหมเอาเวลาเวลาเราทําบุญเนี่ยเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราสร้างเพื่อจะเอาอิฐเอาหินเอาปูนเอาทรายหรือเปล่าเราสร้างเอาบุญใช่ไหมเอาแล้วจะไปติดอยู่กับอิฐหินปูนทรายทําไม ถ้าไปยังไปติดอยู่กับอิฐหินปูนทรายว่าห้องน้ํานี้เราของเราห้องน้ํานั้นของเราศาลานั้นของเรากระตินี้ของเราเสาศาลานั้นของเราอ น, นั้นติดจริงๆรไปไปเป็นเปจริงๆติด อ, ด, ดอยู่ในนั้น <Las> น่ะติดเอิดเปตอยู่ในนั้นน่ะแต่ถ้าเราสร้างขึ้นมาเราไม่ได้เอาเอาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เราเอาหินเอาอิฐเอาหินเอาเปูนเอาทราย เ, าเราเอาแบบุญเราก็นึกถึงบุญนึกถึงบุญอันที่ทําพยายาง แต่วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญ <c oughs> ถ้าไม่มีอาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญแค่คิดอยากจะทําบุญแต่ไม่ได้ทําออกไปมันจะเป็นบุญไหม <c oughs> มันไม่ได้เป็นแค่เจตานาในการทําบุญแค่เป็นบุญที่เกิดจากเจตานาที่เฉยแต่ยังไม่ให้ยังไม่มีของที่จะให้เพราะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญนั้นอีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมส่วนบุญที่เกิดจากการให้ไปแล้วนั้นคืออันหนึ่งต้องยินดีในบุญอันที่เกิดจากการให้นั้นไม่ใช่เป็นยินยินดีอันวัตถุอันที่ให้ อันนี้ก็ยังงงกันอยู่เลยเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยพื้นฐานมากๆเลยนะเนี่ยฮะเข้าใจเข้าใจไหมยินดีในการให้เราเปิดได้ใช่ยินดีในบุญที่เราได้ทําไว้นะยินดีในบุญที่เราได้ทําไว้แต่อย่าไปยินดีในสิ่งของที่ทําเดี๋ยวก็ไปติดจริงๆถ้าไปยินดีนั้นะบางคนก็บอกเฮ้ยเสาศาลานี่เราสร้างไว้เอ็นหน้าต่างนี่เราสร้างมีชื่อเกาะติดเฮ้ยนี่ของเราเว้ย นี่เสาของเราเว้ยนี่นี่หลังคาเราทําเว้ยอันนั้นอ่ะติดแน่ติดแน่อันนั้นอ่ะเพราะยึดในวัตถุพุทธรูปนี้เราสร้างด้วยมีรูปเลยมีชื่อเราสลักติดแน่ตายแล้วติดอยู่ในพ่อพุทธรูปนั้นแน่เขียนเองค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกใส่บางคนรอเขาประกาศชื่อด้วยนะอาจารย์ว่าเราบริจาคเท่านั้นมื่นเมื่ไหรจะประกาศชื่อเรา 1, 2, บุญมันก็ไม่ใช่ของเราแต่เราทํานั้นเพื่อบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมจึงที่ทำถ้าทําบาปมันไม่ดีเราก็รู้ว่ามันไม่ดีมันมีโทษทําบาปมีโทษเราก็ไม่ทําเราทําบุญมันมีประโยชน์บุคคลผู้ฉลาดย่อมปรารบบุญกุศลแล้วกระทาเพราะสิ่งนั้นนนั้ซึก ง, งนามาซึ่งประโยชน์กับเราเพราะบุญเป็นชื่องความสุขบาปเป็นชื่องความทุกข์ บุญเมื่อกันทําแล้วย่อมนํามาซึ่งความสุขในภายหลังนึกถึงที่ไรก็สุขที่นั้นใช่ไหมละ่ะบาปกระทาแล้วย่อมนํามาสร่งความทุกข์ในภายหลังนึกถึงที่ไรก็ทุก ข, ข์เมื่อนึกถึงกูไม่น่าทําเลยกูไม่น่าทําเลยอยู่นั่นแหละกาบาปมันอยู่แล้วมันหอติดอยู่ในใจตัวเองอยู่นั่นนหะเช่นไปไปทําแท้งเด็กก็ติดอยู่ในความรู้สึกตัวเองอยู่นั่นแหะทํายังไงถึงจะก้าวข้ามมันได้พิ่เจริญ่ะไม่ใช่ล<ะ>ืมมันลืมไม่ได้เอาก็บอกแล้วมันติดอยู่ในใจพี่นายให้เห็นว่า สิ่งนั้นคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วการทําสิ่งที่ดีๆไปให้ดวงจิต ด, ดวงวิญญาณที่ตายไปนั้นขอขอมากันได้ขอโทษกันได้เพราะการที่เด็กเป็นอย่างนั้นสแสดงว่าเด็กคนนั้นก็ตกอยู่ภายใต้วิบากกรรมที่เขาก็ต้องเสบยผลคือเป็นกรรมของเขาอย่างหนึ่งเขาจะต้องรับใช่ไหมหล่ะเมื่อเป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องรับแต่เกิดจากการการทํำของเราเราก็มีส่วนในกรรมแล้วก็เด็กนั้นก็ได้ชดใช้กรรมแล้วเราก็ได้ทํากรรมใหม่ แต่เราได้ทําบุญอุทิศให้เขาขอคำอากรรมจา ก, กเขาเราก็ปรับใจใหม่แล้วไม่ต้องไป น, นึกถึงมันพี่นะให้เห็นว่าสิ่งนั้นล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วสิ่งใดที่ตามที่ล่วงไปละไปดับไปสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงแม้จะเคยเกิดขึ้นจริงก็าตามแต่มันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันเป็นสิ่งที่ล่วงไปละไปดับไปเรื่องของเมื่อวานนี้ทั้งหมดเมื่อวานที่เราทําทั้งหมดสามารถเอามาเป็นวันนี้ได้ไหม บุญที่เราทําเมื่อวานนี้เอามาเป็นบุญวันนี้ได้ไหมไม่ได้บุญที่เราทําในวันนี้เอาไปเป็นวันบุญของพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเรานึกถึงบุญที่เราทําในวันนี้เป็นบุญในวันพรุ่งนี้ได้ไหมได้ถ้าพรุ่งนี้เรามานึกถึงบุญในวันนี้นึกถึงเลยเป็นใครที่ละเลยจะเป็นมโอใช่ก็นี่ไงอิมาซมิงสติเนี่ยเพราะนึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนึกถึงบาปที่ทํามาแต่ก่อนนี้ ก็มันก็บาปมีแต่ถ้าไม่นึกถึงมันมันก็ไม่มีแต่ไม่ใช่ลืม <c oughs> ไม่ใช่ลืมเข้าใจไหมแต่ไม่นึกถึงมันเพียนเจริญที่เป็นกุศลทำยังไงไม่นึกถึงมันนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลพอถ้านึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลก็จะถูกละเองอัตโนมัติเห็นไหมบุญละบาบุญล้างบาปล้างอย่างนี้สัมมาสั่งกับปะล้างความคิดที่ผิดด้วยความคิดที่ถูก เข้าใจง่ายง่ายพิธีล้างบาป พ, พุทธศาสนาเราง่ายมากแต่ง่ายๆ่มีใครทำเขาต้องไปผ่านพิธีกรรมสวดเส้นได้สายสินโยงนอนในโลงศพ ส, สรารพัดเขาบอกทำอย่างนั้นอ่ะมันถึงจะรู้สึกล้างไปแต่มาคิดล้างอย่างอาตมาเขาบอกอง่ายไปไม่ศักดิ์สิทธิ์นวน คุณพี่ว่าเมื่อกี้หน้ามาในรถก็เหมือนกันอีกที่ถามกันว่าทุกวันนี้เราจะต้องมาเจอสัตว์เล็กๆน้อยๆแต่แล้วจิตไปจิดตรงที่ว่าไปเมืนกัเราไม่มีเจตนาค่าแต่พอเห็นการฆ่าแล้วจิตมันไปยึดวาดตัวเองผิดศีลผิดอะไรเนี้ยคือเหมือนไปยึดในศีลอีกเราจะทํายังไงให้ผ่านตัวนี้ให้มีหลักพิจารณาไม่มีความข้อใจในศีลถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้ง เราไม่มีมความเข้าใจในศีลมีคนมาถามโยมแล้วแล้วก็โยมว่าโยมอธิบายไปแล้วดูเหมือนเขายังไม่เข้าใจและอยากจะให้พระอาจารย์ให้เขามีหลักพิจารณาได้ให้เขาสบายใจว่าในเมื่อเขาไม่มีเจตนากรรมที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าพระเชตินเป็นยังไงก็ <c oughs> เลยว่าโยมยังไม่มีปัญญาแก้เรื่องนี้เรื่องกันอธิบายคนยไม่เข้าใจคําำศีลกับกรรมอธิบายจุดนี้เพื่อฆ่าสัตว์คนที่ฆ่าสัตว์เขาไม่ได้สมาทานศีลนะเขาฆ่าสัตว์ เขาไม่ได้ผิดศีลแต่เขาทํากรรมในการฆ่าแต่เขาไม่ได้ผิดศีลเพราะเขาไม่ได้สามาทานศีลจึงไม่มีการผิดศีลเมื่อเขาฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไปตลอดฆ่าไปตลอดฆ่าไปตลอดจนวันหนึ่งไม่มีเรี่ยวแรงในการฆ่าแล้วคือจะจับมีดมาสับหัวปลาหมดแรงแล้วจับมีดก็ไม่ขึ้นเรี่ยวแรงหมดแล้วแก่แล้วโอ้เลอกถือสมาทานศีลดีกว่าไว้ยเี สมาทานศีลขึ้นมาศีลจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาไม่ให้ไปลดชดใช้กรรมนั้นนี่คือศีลแต่กับคนหนึ่งสมาทานศีลขึ้นมาแล้วไปฆ่าอันเนี้ยทำทั้งกรรมผิดทั้งศีลบาปเกิดขึ้น <c oughs> ทั้งอ <c oughs> สองอย่างสมมติว่าเหมือนล้านถ้วยอะ มดมันติดอะนะส่วนหากคนจะเจอมดเนาะมดมันปิดแล้วทํายังไงอะวระชตรีเห็นมดแล้วไม่กล้าล้างแล้วอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามันเป็นบาปว่ะแล้วทํายังไงแบบจะมีมันเป็นบาปได้ยังไงเนี่ยหนูบอกว่าพระวิเชรีบอกว่าเจตนาก็ตั้งจิให้มันถูกทำไปเถิดเนาะใช่แล้วก็ไม่ต้องเอาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาของปัญญาพูงให้แยกแยะมันจะเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อเป็นเจตนาในการทํำจงใจ ความจงใจของเราคือจงใจในการล้างจานใช่ไหมเราก็รักษาเจตนาคือความจงใจรักษาเจตนาในการล้างจานเนี้ยไปอย่าไปจงใจว่ามึงจะตายก็ตายอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนั้นไปไม่รักษาเจตนาของตัวเองไว้ในการล้างเราจะล้างจานเราก็จะล้างเราสัตว์เป็นเรื่องของสัตว์เราจะล้างจานแค่นี้รักษาเจตนาตัวเองให้มั่นคงนะ ไม่ต้องเอาใจไปยึดแล้วก็เศร้าหมองใช่แล้วเป็นทุกข์ใช่ อ, อีกเรื่องมึงที่ยมโดนถามมาตลอดเลยบ้านเป็นปวกอะะ่ะไมช่ดีถ้าเราพ่ามันจะทำยังไงแล้ว ม, มีความคิดที่จะต้องไปทําร้ายลังหัวแม่น่ยมันเป็นเจตนามไหมก็คือเจตนาจะต้องเอาเขาออกะนะอัะเหมือนเหมือนนะคะเขาบอกเขามีความเขอนี้ดีกว่าวิสัยของบุทุชนนะวิสัยของบุทุชนเขากลัวแบบสมาทาศีลใดไว้ก็ยกเลิกสมาทานศีลนั่นใช่ไหม แล้วก็อันนี้พูดในชั้นของคนที่อินทรีย์อ่อนคนที่ปัญญายังไม่ก้าวข้ามในเรื่องของการฆ่ายังอยู่ในวิถีของการฆ่าเข้าใจไหมแล้วคนที่อยู่นอกเหนือการ น, นอกเหนือวิถีของการฆ่าอย่าอย่ามาเอาเป็นตัวอย่างอันนี้พูดถึงอยู่พูดอยู่ในวิถีของการฆ่าหมายถึงว่าหลีกเลี่ยงการฆ่าไม่ได้และไม่ได้สมาทานศีลคือยกเลิกการสมาทานศีลก็เราก็รักษาบ้านเรือนเราไว้ ใช่ไหมรักษาบ้านเรือนเราไว้แต่อย่าตั้งเจตนาที่จะฆ่าแต่ตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาบ้านเรือนเราไว้อ่าตัวนี้โยมตั้งเหมือนนกันว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะแยะมีแ บ, บคทีเรียมีไวรัสมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเราจะรักษาบ้านก็คือกายตัเนี้แล้วเรากินยาใช่ไหมฮะบางคนก็อยา ก, กินยาถายย่ายพยาธิซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ากายตัวนี้คือบ้านตัวเนี้ย มันก็เปรียบเรียนเข้ามือกันเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเกต น, นาที่ถูกว่ารักษาบ้านเราไม่มีเกจนาที่จะไป<ข>ังางก็ใช่มันก็อยู่ในหลากกาั ก, หลากการเดียวกันอ<ม>ยหลักการเดียวกันอะโยมก็คิดว่าแล้วเขากลัวมากเลยไม่ไม่ไป น, นั้นอันนี้อันนั้นก็กลัวอันนี้ก็กลัวกลัวโมงหาขึ้นจนครอบจิตแล้วก็เลยเป็นลูกแล้ยมบ้าโ ย, ยมไม่มีปัญญาพอที่จะเอาเอาบรรยายเขายัางไงโ อ, องนี่ก็<อ>ปัญญาแล้วมันเป็นเรื่องปัญญาของเขาแล้วที่เขาจะรับรู้รับทราบจะเข้าใจไม่เข้าใจเป็นปัญญาของเขาแล้วไม่ใช่ปัญญาของเรา ปัญญาของเราอธิบายแค่นี้ถ้าอธิบายแค่นี้เขาไม่เข้าใจอธิบายมากกว่า น, นี้เขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะคนไม่มีปัญญาคือศาสนาเป็นศาสนาของบุคคลผู้มีปัญญาแต่บอกแล้ว่าไม่ผิดศีลถ้าเราไม่เจตนาก็ <c oughs> ไม่ผิดล้ทำยังไงให้ออกแล้วก็กลัวเข้ากลัวเข้ากลัวบาปอาจารย์แล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะทําแล้วก็คนขี้กลัวอย่างนั้นไปไหนไม่ได้ภาวนาไปไหนก็ไม่เจริญงองงาม โง่นะคนที่กลัวนี่โง่คนกล้าเกินไปก็โง่กลัวเกินไปก็โง่ต้องกล้าบ้างกลัวบ้างกลัวในสิ่งที่คนกลัวกล้าในสิ่งที่คนกล้าพิจารณาแล้วทําเกิดความรู้ความเข้าใจมีเหตุผลอธิบายให้ตัวเองในสิ่งที่ตัวเองกระทําแล้วแล้วล่วงแล้วละแล้วดับแล้วพ้นแล้วใช่ไหมล่ะก็ก็แล้วแล้วก็หมดไปขณะแห่งการฆ่ากับขณะของการไม่ฆ่าช่วงขณะที่ฆ่ามันน้อยกว่าขณะที่ไม่ฆ่า ช่วงเวลาในการที่จะค่ากับไม่ค่ามาม า, มาทบกันมาเทียบกั น, กนถ้าสมมุติว่าน้ำขุนน้ำขุนแค่หนึ่งช้อนน้ำใสเป็นโอ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำให้น้ำน้าขุนเนี้ยขุนได้เพราะน้ำใสมันเยอะกว่าแต่แต่ถ้าคิดกลัวอยู่นั่นแหละคุณตลอดเวลาทีนี้ คุณตอดเวลามีตะกลัวว่าจะผิดกลัวอย่างนีคุณอยู่นั่นแหละคุณโเกินตลอดปัวก็กินไปเรื่อยๆแหละก็คุณก็ณจะค่าดีหรือไม่ค่าดีจะค่าดีหรือไม่ค่าดีจะไม่มีที่อยู่คิดบางทีจะค่าหรือไม่ค่านี้บางทีอยู่เป็นเดือนนะแล้วปัวก็กินจะหมดต้นอยู่แล้วเสาะนะัหน่ะเป็นเดือนนั่นแหละ <c oughs> สุดท้ายแล้วบ้านก็พังทับสหัวนี่แหละคือความคุณแบบแล้วเขาถามเดียวก็เป็นบาทไหม โอ้ยพระเจ้าไม่ได้ให้กลัวบาปแต่พระเจ้าให้แก้บาปทำบาปมาแล้วให้รู้จักแก้หรือรู้จักยอมรับในการทำทำบุญก็ยอมรับบุญทำบาปก็ยอมรับบาปทำอะไรให้รู้จักยอมรับพระเจ้าสอนให้รู้จักการยอมรับที่วงบอกว่าชีวิตเป็นไปตามกรรมคือวงรู้จักการยอมรับในการการทาของตนทำทาผิดยอมรับผิดไม่ใช่ทำผิดแล้วหนีออกนอกประเทศ ว่าไปอีกทีนึงอันนั้นคือไม่ยอมรับการการะทำของตนเองทำผิดยอมรับผิดตรงนั้นเนี่ยคือวิถีของพทธเจ้าวิถีของพรศาสนาทาดีทําถูกยอมรับความถูกมีผิดมีถูกยอมรับทั้งผิดทั้งถูกแล ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับมันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเกิดมารูปแบบไหนก็ตามยอมรับมัน นี่ผู้เจ้าสอนให้อย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องกลัวไงไม่ก็ต้องกลัวไม่กระทั่งความผิดไม่ต้องกลัวว่าความผลแห่งบุญจะให้เราเมื่อไหร่ผลแห่งความดีจะให้เราเมื่อไหร่ไม่ต้องกลัวทําดีมันต้องให้ผลแน่นอนทําไมด่ดีไม่ดีมันยังให้ผลได้เลยแล้วไอ้ดีทําไมมันจะให้ผลไม่ได้ได้ทําไมจะไม่ได้บางคนก็บอกว่าทําดีมาลอยครั้งาอาจารย์ทําชั่วครั้งหนึ่งมันล้างดีหมดเลยดี่นี่ทําไงที่นี่มันเป็นอย่างนี้ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไอดีร้อยครั้งไม่ได้หายไปไหนได้มันยังมีอยู่นะเพียงแต่คนอื่นมองไม่เห็นเราจะไปเอาทัศนะของคนอื่นที่มามองเราในความไม่ดีแค่ครั้งเดียวนี้มาตัดสินตัวเองทั้งชีวิตแล้วเปลี่ยนมาเป็นคนที่ไม่ดีตามความเห็นของคนอื่นนะ่ยโอ้ไหนๆก็เลีวแล้วเลีวแม่งต่อไปอีกอย่างเงี้ย <laughs> มันก็ยังใช้ไม่ได้อะเนี่ย นั้นแชรไม่ได้ก็ต้องยึดถือความดีต่อไปเพราะบางทีทําผิดครั้งเดียวมันคนเรามันผิดพลาดกันได้ไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดอย่าตําหนิความผิดพลาดให้มากกว่าการเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจงเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาตนเองไปสู่ความดีให้ได้เอาความดีเป็นบทเรียนสอนใจเราให้ได้อย่างเงี้ยแล้วอย่าตําหนิตนเองในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าตัวเองตําหนิตัวเองคนอื่นก็ตําหนิคนอื่นน่ะตำหนิอยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วตัวเองมาตําหนิตัวเองเพิ่มเนี่ยตัวเองจะเอาตัวเองไปดีได้ไหมล่ะ ไม่ได้แต่ถ้าเราให้กําลังเกีจตัวเองเรายังสามารถทําความดีด้วยตัวเองได้อยู่เนี่ยยังไปสู่จุดที่ดีได้อยู่ด้วยตัวของเราเองแล้วเวลาเราทําดีคนอื่นเขาไม่ได้ดีเหมือนเราเลยเราทําดีแล้วก็รับรู้ความดีในตัวของเรามันเป็นความดีเฉพาะตัวเราจะเจริญในตัวเราคนอื่นทําชั่วคนนั้นก็ได้รับความชั่วแล้วก็ตกต่ำไปในทางความชั่วที่เขาทําเองต่างคนก็ต่างทําอยู่แล้วความดีเป็นของใครข้องมันอยู่แล้ว ไม่ยอมมันก็ชั่วไม่ยอมรับว่ามันชั่วมันก็ชั่วเพราะมันเป็นความชั่วไม่ต้องไปทํำยังไงให้มันดีเพราะมันชั่วอยู่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็อย่าทําชั่วเหมือนเขาเตือนตัวเองอยู่อ่าอย่าทําชั่วเหมือนเขานะง่ายง่ายสอนตัวเองให้กำลังใจตัวเองใช่มีพลัขึ้นในจิตนะฮะถูกเพราะว่าเราเปเหตุผลเหมือนกับปฐมมาพูดเรื่องนี้อยู่ คนเดียวมาตลอดอย่างเงี้ยสิบกว่าปีมานี่ยเขาบอกไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างงี้สวนทางกับสังคมโลกเขาแหกวิถีของบรรพบุรุษเพียนหรือว่านอกลีดเราะว่าอาตมาหยุดไหมเขาพูดมาอย่างนั้นอาตมาเห็นอัตมาหยุดไหมไม่เคยหยุดเลยเห็นไหมปกติไม่เคยหยุดมากี่ครั้งพวกเราก็ยังได้ยินคําเดิมใช่ไหมใช่ ทำเดิมเนี่ยเสาเสาหินใหญ่ที่ฝังดินดีแล้ว ไ, <ด>ไม่วันไว้ด้วยพายุสี่ทิศชั้นใ ด, ดใลมปากคนพูดอะด่ะมันก็ผ่านผ่านไปผ่านมาเท่านั้นแหละไอ้คนที่พูดขึ้นมามันใช้ปากเขาพูดที่ไม่ได้ใช้ปากเราพูดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันก็เมื่อยปากก็หยุดเองคนที่ดาพู้ทธเจ้าพู้ทธเจ้าบอกว่า เขาจะด่าได้ไม่เกินเจ็ดวันทำไมมันเหนื่อยาัยเอเนือยเอ้ยเหนื่อยสิอย่าว่าเจ็ดวันเลยให้ด่าทั้งวันมันยังเที่ยงนี้มันก็ไปไม่รอดแล้วเมื่อยปากเนี่ยนอกจากมันนึกขึ้นมาใหม่แล้วด่ามาอีกนึกขึ้นมาใหม่ก็ด่ามาอีกอันคนด่ามันยังไงมันก็ด่ามันอยู่ในวิธีของการด่า มนชมใครไม่เป็นหรอกในกระทั่งตัวมันเองก็ยังด่าตัวมันเองเพื่อนมันเองก็ยังด่าเพื่อนมันเองเพราะมันอยู่ในวิธีของการด่าไงคนที่มันชอบที่จะด่ามันก็ด่าอยู่แค่นั้นคนที่วิาวิจารณ์ก็วิจารณ์กันอยู่แค่นั้นแหละเล้วแต่เนาะนี่นี่ไม่ได้เสาหินใหญ่มันจะโอนเอ็นตามลมไหมเอ่ยที่ฝังดินแล้วเนี่ยมันมันโอนไม่เองนไหมมีเอ็นนะเห็นไหม ถ้าเสาหินมันโอนเอ็นตามลมนี่มันเป็นประเภทไหนน่ะมันไม่ใช่เสาหินมาต่างเลนเออไม่โนเอ็นใครนอกเสียจากว่าหมดไม่หมดหม ด, หมดเรื่องที่จะพูดแล้วก็จะจบคือพูดมาหมดทุกเรื่องแล้วก็จะก็จะยุติตัวเองไม่พูดอย่างนี้ไปยาวนานหรอกจะหยุดดูให้คนรุ่นหลังเขาพูดต่อในพุทธสืบทอด เราจะไม่สืบทอดกันบ้างเลยเหรอนั่งอยู่นี่สืบทอดกันบ้างสิไปพูดต่อๆไปอธิบายให้กันฟังเราสืบทอดศาสนากันไปอย่างเนี้ยอ๋อเปาสนาค่ะใช่ใช่แนะนากันไปสิหลักการที่ถูกต้องพระนริตที่ถูกต้องเป็นยังไงถือศีลที่ถูกต้องเป็นยังไงทำสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไงเจริญปัญญาที่ถูกต้องเป็นยังไงมตที่ถูกต้องเป็นยังไงอย่างหนังสือนกาน่ราะไปปีนแจกเาได้ได้ S <S อ๋ออย่างงี้กว่าเรานึกถึงตอนที่เรายังไม่มาเข้าใจหลักการนี้นะตอนนั้นเราเราทําหลักการแบบที่เคยเคยทํากันมาใช่ไหม<ช>กว่าที่จะปรับใจมาเป็นหลักการนี้ได้เนะี<ช>่ยยากเหมือนกันนะใช่ไหมยากเหมือนกันใช่เลย <S <S 2> <S 2> อยู่นั่นแหละถูกเลย <S <S เอะมันจริงหรือเปล่าอยู่นั่นแหล <S <S โะโจนาตมาต้องไปเทศหลายครั้งย้ำแล้วย้ำอีกจึงจึงค่อยกระเตื้องขึ้นมาที่ะนี้ทีละนิดยังก่อนหน้านี้ก็ยังติดของเดิมอยู่ใช่ไหมล่ะติดไหว้ติดกาบติด จ, จุดทูบจุดเทียนสักการะ ก, กันอยู่ติดกันมาอย่างนั้นมันก็คนอย่างอาตมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแค่คนเดียวยังมีสืบต่อแม้อาตมาจะตายตอนนี้ยังคนแบบอาตมายังมีอยู่ในโลกอยู่นะที่จะมาพูดเรื่องเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่มีเฉพาะอาตมาะคนแบบเนี้ยคือลักษณะแบบนี้แล้วก็พูดแบบนี้แล้วก็สอนแบบนี้ยังจะมีต่อไปอีกสืบไปสืบไปสืบไปสืบ ไ, ไ, ไปในภายภาคหน้าโจนหมดศาสนาคนแบบนี้ก็จะไม่มีอีก เพราะพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากความทรงจําของมนุษย์มนุษย์ก็จะทรงจํำหลักคําสอนของศาสนาอื่นทรงจําเรื่องราวของศาสนาอื่นทรงจําความดีในแบบวิธีของศาสนาอื่นเขาสอนความดียังไงก็จะสอนความดีไปตามวิธีที่ศาสนาที่มีอยู่ในเวลานั้นสอนพุทธศาสนาความดีแบบพุทธศาสนาจะหมดไปเพราะความดีแบบพุทธศาสนาเป็นความดีแบบพิเศษที่ไม่เหมือนความดีของศาสนาอื่นและเป็นความดีที่ไม่ตั้งอนานเป็นความดีที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราว ความดีในทางพุทศสนานี่นะคือความดีที่พาตัวเราพ้นทุกเนี่ยเป็นความดีชั้นเลยในทางพุศสนาเนี่ยเกิดขึ้นชั่วคราวพอถึงห้าพันปีหมดแน่นอนในโลกนี้หมดใครนับถือทันใครปฏิบัติทันก็ทันใครไม่ทันก็ไม่ทันอันนี้มันสองพันห้า้อยหกสิบถ้าเป็นดวงตะวันก็คลอยไปจะ บ, บ่ายโมงแนละ้วอีกงน้อยก็จะตกดินแล้วถ้าดวงอาทิต ย, ย์แสงสว่างจะหมดพอดวงอาทิตย์ตกดินปับ๊บความมืดเข้าครอบงำใช่ไหม พอความมืดเข้คาค่อมงามพวกเราต้องหาไฟใช่ไหมฮะสายแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมืดใช่ไห ม, ไหมแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างในเวลานั้นน่ะทํา ม, มืดสนิทล่ะที่นี่หลังจากผู้สนามหมดไปแล้วเนี่ยจะมืดเลยที่นี้เราจะอาศัยคําสอนเพียงแค่การอยู่ในความมืดที่คำคำเอาเขาสอนมาว่าเจออันนี้เจออันนี้เป็นเนขาบอกว่าคําเจออันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนั้นคือเขาสอนมาว่าเอาอันนี้แหละก็จะเอานันนี้นะ ก็ยึดแต่ตนเองไม่เห็นเขายัางพรามันมืดไงมีศาสนาเดียวที่สอนเรื่องแสงสาว่างแบบแจ่มแจ้งเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กําลังเจิดจ้าอยู่คือพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่ยังสอดส่องให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความจริงเห็นอะไรต่างๆนานาอยู่พอเรามาศึกษาเรียนรู้อย่างนี้เราเริ่มเริ่มมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นใช่ไหมเนี่ยคือแสงสาว่างเริ่มสอดส่องเข้าไปในจิตในใจเราและดวงตาในจิตเราเริ่มเปิดออกมาให้เห็นประกอบกับแสงสาว่างแต่พอหมดุฆษณานี่มืดแล้ว ได้แค่รูปๆคำๆ ค, ค, ค, คำไปเจออ๋ออันนี้เขาเรียกว่าแก้วน้ําก็ยึดถือว่าแก้วน้ําทั้งๆที่เราไม่เคยเห็นแก้วน้ํานะก็มืดๆอย่างนั้นแหละเข้าใจตามที่เขาบอกว่าแก้วน้ําแต่บางทีความจริงอันตัวเนี้ยเป็นแก้วน้ําก็จริงแต่ถ้าถูกสอนผิดว่าอันที่เราคําเจอเนี่ยไม่ใช่แก้วน้ําอันที่เราเจอเนี้ยอ่าเป็นอะไรสือว่า เ, เป็นเป็นน้าเป็นน้ําปัสสาวะอยู่ในนี้น้ําน้ําอุจาระในนี้ขี้อุจาระอยู่ในแก้วนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นน้ําสะอาดกินเถอะ เขสอนมาอย่างนั so says, oh, ้นนะก็ก so right, so ินใหญ่เลยทีนี้น้ําสะอาดของดีมันมืดไงมองไม่เห็นแต่ถ้ามันสว่างจ้าอย่างนี้เขาบอกว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นแก้วใส่อุจจาระอยู่ในนี้เขาบอกโอ้อันนี้เป็นแก้วใส่น้ำที่ดีน้ําพิเศษกินเถอะเปิดออกมาเราเห็นเป็นอุจจาระจะกินไหมไม่กินใช่ไหมไม่กินไม่กินสัอย่างไปคนมีตาเนาะอันที่ทํำทามาก่อนหน้านี้เรารู้ว่ามันผิดเนี่ยจะกลับไปทํำไหมมีตาแล้วใช่ไหม มีปัญญาขึ้นมาแล้วแสงสว่างได้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วไง แ, แต่บทพุทธสาแล้วไม่มีใครมาบอกเลยแสงสว่างก็ไม่มีจิตใระยานเลยทีนี้ก็ <laughs> ใครยังยึดถือแบบวิธีการเดิมกับไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมของสัตว์เนี่ยเข้ามหาสัตว์อีกแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังคล้องอยู่ก็คล้องกันต่อไป อพอแล้วมั่งวันนี้หรือมีใครจะมีอะไรจะพูดคุยอยู่ไหมยมน้ำมีอะไรพิเศษไหมในวันนี้สนทนาทำกันไหมไม่มีนะถามเธออยากไม่ถาม งั้น racks, ยุตินี่ก an, ่อนก็ได้เดี๋ยวพูดพูดกันต่างหากก็ได้เนี่ยหลังไม้หลังไม่หลังไม่ต้องเอาหลังฉาดเอาแล้วนะขอสมควรแก่เวลาพูดติดตามเถิดในเวลานี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคน